อาจารย์ครับการวัฐิสากักกรครับเดรอนพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจับวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยี่สิเอดแล้วครับอาจารย์ครับครับเป็นถามอาจารย์เมื่อเช้าคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับอาจารย์ประมาณสามร้<น>อยเจ็ดสิบสามเจดสิบคนผมดูโดยสามวันสามวันนี้ศุกเสาาทิตยวันละสามร้อยกว่า ครับผมไม่ตรงวันพระนะครับอาจารย์อ่ายังไม่ต้งวันพระพอดีตรงกับวันศุกร์เนี่ยอ๋อวันพระก็เลยเป็นสามร้อยกว่าถ้าวันพระกับมันมาตรงกับเสาร์อาทิตย์มันก็จะสี่ห้าร้อยขึ้นไปครับผมกลับเรียนพระอาจารย์ครับเมื่อวันพฤหัสผมไปงานศพมาครับอาจารย์แล้วก็ได้มีโอกาสไปมอง ลงศพเน้นั่ ง, น, งนึกถึงร่างกายที่เสียชีวิตเวลาวอศพนั้นก็เลยมีความสึกว่าอยากจะมาขอปัญญาจากพระอาจารย์มากเลยครับพระอาจารย์ว่าวันหนึ่งผมก็ต้องไปนอนอย่างนั้นเหมือนกันครับขอพระอาจารย์เมตตาให้ปัญญาเรื่องนี้ด้วยครับคืองานศพสมาธินี้มันยังไม่เห็นสบเห็นแต่คนเป็นเห็นแต่เจ้าภาพผู้มาคอยต้อนรับแขกแต่สมนี่เขาปิดไว้อยังไม่ชิดไว้ในโรกไม่เห็น มันก็ยังไม่ถึงใจนะเพราะว่ า, าการไปงานศพนี้เพื่อไปการเพื่อเป็นการไปเจริญมานานุสติหรือเป็นการไปพบกับเทวทูตนะเทวทูตก็คือความตายสมัยพระพุทธกาลเนผู้พเจ้าให้ไปให้พระภิกษุไปเที่ยวป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าเพราะสมัยก่อนศพที่คนตายนี้เขาจะไม่ เขาไม่ฟังเขาเจะไปที่ไม่ในป่าชาให้มันเน่าเปือ่อยให้ถูกถูกมดแมลงกัดถูกสุนัข ก, กัดแทะอะไรต่างๆก็จะเห็นสภาพของความไม่แน่นอนความเจไม่เจรังทาวนของร่างกายเห็นความไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะทำให้ เ, เกิดความสุบสังเวฆขึ้นมาว่าชีวิตที่เรามีอยู่นี่มันก็เป็นของแค่ชั่วคราวเดีย๋ยวเราก็ตายแล้วสิ่งต่างๆที่เราหากันถ้าเป็นถบาตายมันก็มันก็ไม่มีอะไรเอาติดตัวไปได้เลยแล้วก็มันก็ถ้าเราศึกษาธรรมะมันเราก็จะเห็นว่า มันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเราตายไปแต่ความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางล่างกายเพื่อที่จะหาลาบยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรนี้มันยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่กับใจมันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่มันมีร่างกายใหม่แล้วก็ใช้ร่างกายใหม่นี้ไปหาลาบยศเสริญสุขใหม่อีกรอบนึ น, นั่นเกิดปัญหาที่พวกเรามองไม่เห็นกันเราไม่รู้ว่าเรามาอย่างไงแล้วเวลาเราไปจะไปไหนแต่ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเหตุที่เรามาเกิดกันก็เพราะความอยากนั่นเองอยากจะรับความสุขจากโลกธรรมอยากจะรับความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส บตรพระชนิดต่างๆจึงทําให้เราต้องมามีร่างกายกันมีตาหูจมูกเล่นกายแล้วพอเราจเจริญตบโตสามารถใช้ร่างกายได้เราก็ไปเล่นโลนาลาบยศเสริญ ส, สุขกันหาได้บ้างไม่ได้บ้างเวลาหาได้ก็ดีใจเวลาหาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาลอดส่วเสียไปก็เสียใจอะในที่สุดเวลาแก่เจ็บตายก็ มี่ากว่าเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่ตางๆได้เพราะนั่งกายหมดสภาพที่จะทำหน้าที่หาความสุขให้กับใจใจก็จะอยู่ในความเศร้าหมองซึมเศร้านี่คือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเราถูกความหนุนหลอกให้เราไม่ให้คิดถึงความตายกัน เรที่ว่าเราจะอยู่กันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถหาความสุขอยากลาบยศสรรเสริญอยากรูปเสียงเกิดลดไปได้เรื่อยๆแต่พอวันใดวันหนึ่งเราไปเห็นคนตายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําทให้เราเริ่มสะท้อนกลับมาที่ตัวเราแล้วเอ๊ะต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขานะเขาคืออนาคตของเราเราคืออดีตของเขาเขาก็เคยอยู่กินหาความหาลาบยศสรรเสริญสุขเหมือนกับที่เรากําลังตอนนี้หาอยู่ แต่ตอนนี้เขาไม่สามารถหาอะไรได้นะ ะ, ะการนึกถึงความตายนี้มันน้ำหนักมันไม่เท่ากับการไปเห็นคนตายนนี้เขาเรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นแต่ใ น, นเบื้องต้นสําหรับคนที่ยังอ่อนแอจิตใจยังไม่เข้มแข็ง เ, เพียงแต่นึกถึงความตายก็จะเกิดความเกิดความรู้สึกขดหูขึ้นมาแล้วบางคนนี่พูดถึงความตายไม่ได้เลย เองจะพูดแต่เองยังไม่เห็นความตายเพราะว่าจิตใจที่ถูกโมหะตันหาครอบงาอยากจะอยู่ไม่อยากจะตายอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรเสริญจึงเป็นอุปสรรคสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะแก้ปัญหานี่แก้ปัญหาที่เขาจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ยอมมองเห็นความตายนี่มันจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะหลงคิดว่าจะอยู่ไปตลอดแล้วพอถึงเวลาจะตายมันก็ไม่มีสติที่จะคิดหาทางแก้ปัญหามีแต่จะแก้ปัญหาด้วยการหาวิธีหนีจากความทุกนี้ไปบางคนก็ฆ่าตัวตายกันเวลาเราถึงจุดสุดท้ายของชีวิตนะแต่ถ้าเรา ได้ศึกษาพระธรรมคํ า, าสอนแล้วเราได้ยินได้ฟังเรื่องเรื่องอริยสัจสี่เรื่องมรรคแปดเนี่ยเราก็จะเห็นความสําคัญในการที่เราจะไปศึกษาความจริงของร่างกายเพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของที่เราเพึ่งพาอาศัยไปไม่ได้ตลอดอาศัยได้ในช่วงขละที่มันมีสุขภาพเพียงแรงกาลังวงชา ไม่เจ็บไายได้ป่วยแต่พอมันเจ็บไายได้ป่วยมันจะตายแล้วนี้มันเราเพิ่มมันไม่ได้เลยเราคาดวุฒิสารนสนุขที่เราหาตั้ในโลกนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้แล้วก็สูญเสียไป ม, มันก็เป็นเรื่องแต่เป็นเรื่องของแต่เรื่องของความทุกข์ทังนั้นในการที่เราจะมาหาความสุขจากโลกธรรม ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็อาจจะเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าทําตามพระเจ้าก็คือเป็ียนวิธีหาความสุขกันแทนที่จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านโลกกระทำเราก็มาหาความสุขจากสันติสุขหาความหาสันติสุขหาความสงบหาความสุ ข, สขที่เกิดจากความสงบด้วยการมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา การที่เห็นเห็นคนตายเห็นซากเห็นศพนเห็นอนิจจังนี่มันจะทําให้เรามีความกระเตือเลยว่าว่าเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขนะหาความสุขแบบเดิมนี่เดี๋ยวก็ถึงบ้านปลายของชีวิตก็จะเจอแต่ความเศร้ า, าเจอแต่ความเศร้าโศกเจอแต่ความเศร้าสา้อยไม่เหงา นี่คือเรื่องของการให้เรามาเจริญวานานสติกันให้ไปเยี่ยมปชาช้ากันต้องไปดูศพจริงๆมันถึงจะมีน้ำหนักกว่ามันจะได้เห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่สวยไม่งามเลยการที่เราหลงไหลคลั่งคล้ายกับร่างกายของคนนั้นคนนี้ก็เพราะเรามองไม่เห็นว่าเขาจะต้องเป็นซากศพไปวันใดวันหนึ่ง มองไม่เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายของเขามันก็เลยทําให้เราหลงอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะมีอยากจะมีแฟนอยากหาความสุขจากแอบแอนอันนี้พอมันเห็นความตายนี่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะทําให้เราเอตื่นขึ้นมาจากความหลงว่า สิ่งที่เราหานนี่มันไม่มันไม่ได้ดูหน้าชมเลยเพียงแต่เราไม่ไม่มองให้รอบครอบเท่านั้นเองมองเพียงแต่ด้านเดียวด้านที่ไม่สวยงามนี่เราไม่ยอมมองเป็นอันนี้คือผลของการที่เราควรจะเจริญมานานุสติกันไปเยี่ยมประชากันไปงานศพกันเพื่อเราจะได้ตื่นตัว ว่าต่อไปเราก็จะต้องตายไม่มีใครดีพ้นความตายแล้วถ้าเรายังไม่มาแก้ปัญหาที่พายเรามาเว้นว่ายตายเกิดตายไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดใหม่แล้วก็จะมาเจอความทุกข์แบบเดิมที่เราเคยเจอมาในภพในชาตินี้แต่ถ้าเราถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าว่า การเกิด น, นี้นเป็นทุกข์เราคนที่จะมาหยุดการเกิดกันด้วยการมาหยุดความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการมาหาความสุขผ่านทางการปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะพบความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จาก ทางร่างกายมันก็จะทําให้เราสามารถตัดการพึ่งพาสายร่างกายได้เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราสามารถมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายถึงแม้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ยังมีความสุขได้จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของเรามันก็จะทําให้เราตัดความอยาก ที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดในการมาพบต่อไปเพราะว่าเราตัดการมการมาตัญหาได้แต่เราก็ยังไปติดอยู่กับความสุขที่เกิดจากการการท ำ, ทำสมาธิอยู่อันนี้ก็เป็นขั้นต่อไปพอเราตัดการกลับมาเกิดในการมาพบได้แต่เราจะไปติดอยู่ในรูปภพหรืออารมณ์ภพ ในความรูปประชานี้ลู่ลู่ของรูปประชานเราก็ต้องมาตัดความอยากหาความสุขจากรูปประชาญเรือรูปประชานเพราะการตัดความอยากมันก็จะทําให้ใจไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยูต่อไปเมื่อไม่มีความทุกข์ใจก็จะมีความสุขนี่กว่าความสุขที่ได้จากรูปประชานหรือรูปประชาญเพราะมันเป็นความชุบเป็นความสุขที่ถาวร นอาการสพ ข, ของพ่นที่ผ่านอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะช่วยเราอะกระตุ้นเราให้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราใหม่เหมือ น, น, นสมัยที่เราข้างแรกเห็นศพตอนนั้นอายุประมาณตั้สิบสองขวบสิบสามขวบมีเพื่อนนักเพื่อนนักเรียนตายเราไปงานศพเขาพอดีก็นับถือาศาสนาคริสต์เขาก็มีศพอยู่ในโรงแต่เขาเปิดฟ้าให้เขาไปใส่ ไว้อะไรได้แต่เขาว่าแต่งศพซสวยงามเป็นตุ๊กตาใส่สูทอย่างดีใส่สูทผมเงไท้ายดู mm hmm. แล้วก็เหมือนคนนอนหลับไปแต่มันอย่างน้อยมันก็ทํำให้รา น, นึกถึงว่าถึงแม้เขาจะดูไม่น่าเกียดไม่น่าอะไรแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เขาเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งนาม mm hmm. ต่อไปก็ต้องเป็นเหมือนเขาและทุกคนที่เรารู้จักเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องเป็นเหมือนเขาเหมือนกัน แต่ถ้าถ้ารู้จักใช้ปัญญาพอมันไปเห็นศพศพเดียวมันสามารถที่จ ะ, ะแพร่ออกไปถึงศพทุกศพได้เลยถึงทุกคนเลยคนที่เรารักเราเคารพเราไม่อยากให้เขาตายแต่พอเห็นศพนี้แล้วก็รู้ว่าอยากยังไงก็ห้ามก่อไม่ได้อย่างไงเขาก็ต้องตายไม่กันทุกคนมันก็เลยทําให้เราเห็นว่ามันชีวิตนี่ไม่มีความหมายอะไรเลยอยู่ไปเพื่อรอความตายกันทุกคนนั่เอ แล้วจะไปดิน้นรนกันทําไมดิมด้นรนกันทุกยากลำบากเปล่าๆช่มาหามาดิน้นรนเท้าความสุขแบบที่ยั่งยืนที่จะอยู่กับเราไปตลอดดีกว่าอันนี้ต้องได้เรียนได้ได้ศึกษาว่าทำคําสอนจริงจำลูกตอนที่เห็นศพตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องมารคผลเรืแบบ่องอะไรอยู่ยังไม่รู้วิธีแต่พอมาพอมาเรียนจบแล้วพาทางานแล้วทีนี้ พอมาน้าอนหนังสือธรรมะถึงวิธีที่จ ะ, ะเปลี่ยนวิธีหาความสุขก็เลยลองมาทดลองฝึกศีลสมาธิปัญญาดูก็เห็นว่าได้ผลดีมีความสุขก็เลยอยากจะไปทางนี้ก็เลยยุติการหาความสุขทางโลกลาออกจากงานแล้วปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นปี2517 1ิบเจ็ดบวชสิบวชสิแต่สิบดนี่ร่ำปฏิบัติอยู่ที่บ้านเก็บตัวแล้วบวเป็น4ี่ตาจะบวชเงี่ยงขายเดิดนโยกขงนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะไปจิตขั้น ร, ร่ำมีความสะกงบขึ้นไปตามลาดับพร้อมซึ่งเจ็ดก็พร้อมที่จะไปบวชได้ตอนต้นยังไม่มั่นใจว่าจะบวชได้หรือเปล่าพอจะบวชแล้วจะรู้สึกอึดอัดเพราะยัง อยังจะมีความอยากไปนวนมานี่อยู่แต่พอจิต น, นั่นเข้าสู่ความสงบ ม, มากขึ้นความอยากตรงนี้มันหายไปมันไม่อยากไปไหนแลนะมันอยากจะต่อปฏิบัติอย่างเดียวอ่ะก็เลยต้องหาที่ปฏิบัติที่เข้มข้นก่อนนี้ก่อที่ที่มีอยู่ก็เลยต้องไปหาวัดปา่าปฏิบัติไปบวชไปปฏิบัติที่วัดปาด่าก็ได้โชคดีได้ได้ไปที่วัดปา่านั่นตัดเป็นวัดแล้วแล้วก็ถูกใจ ก็อยู่ที่วัด น, นั้นเลยไม่ได้ไปทห่ไหนอีกตั้งแบวชได้อยู่ที่นั่นมาเก้าพันศาลด้วยกันงจงมุกเจ้าออกมาออกมาแล้วก็ไม่เคยกลับไปเลยปีสองพันห้า้อยสิบเจ็ดผมยังไม่เกิดเลยครับอาจาร ย, ย, ย์ยังเป็นเทวดาอยู่ยังเป็นเลยยังเป็นดวงวิญญาณรอเข้าคิวอยู่ ับร่าางกายอยู่ครับอาจารย์ครับเมื่ออาทิตสองอาทิตย์ที่แล้วลูกสาวผมเขาขึ้นบอร์ดนิติเวชครับอาจารย์แล้วเขาก็ไปไปไประชาสูตรศพปรากฏว่าเขาพูดก็ให้ข้อคิดให้ผมได้ฟังเหมือนกันครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปดูศพที่ตายตายใหม่ๆตายเมื่อวานเนี่ยครับแล้วก็เขาต้องประชาสูตรเขาเขาบอกเขาดูการแต่งตัวการการใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกกับผมว่า ป้าเขาเหมือนกับเขาไม่รู้เลยนะว่าเขาจะออกมาตายในวันนี้เ อ, อแล้วเขาเหมือนเหมือนเป็นรูทีนของเขาทุกวันที่เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมฟังแล้วก็จริงด้วยนะคนเราไม่รู้จริงๆนะครับไม่มีใครคิดว่าวันนี้จะตายกันนะไม่มีใครคิด น, ะนอกจากผู้ปฏิบัติธรรมนะที่จะคิดอยู่เสมอว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้เตรียมตัวตายนะต้องนึกถึงความตายบ่อยๆอยอยมันถึงจะ มันจะซึ้งถึงใจเราจะซึ้งก็ต่อเมื่อไปเห็นความจริงด้วยความจริงเพียงแต่สิบปากว่าไม่เท่าหึงตายเห็นเนระาคิดถึงความตายกับการมองเห็นคนตายนี่มันไม่เหมือนกันตนะ่างกันเ้อะผมยังโชคดีได้เห็นคนตายอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์เวลาเห็นสกก็เป็นตัวเองอยู่เรื่อยๆครับนี่มันเลยทาให้เราไม่ค่อยมุ่งหกับกับชีวิตไม่มุ่งหกับหน้ากายของเราเนี่ย รว่าไม่ชาก็เลยมันก็จะต้องไปเหมือนกันอาจารย์ครับอยากทราบความหมายตอนที่พระท่านชักผ้าบางส ก, กุลนะครับก็อ น, นิจจาวัาตาสังคาราอ น, นิจจาแปลว่าไม่ไ ม, ไม่ความไม่เที่ยงแท้แน่อนอนของสังขารสังคาราวัตสังคาราอุ ป, ปาณวะยะทำนิโดมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอุปาชิตวานิรุชันติ เป็นสร้างอุปสมสุทุโคการปล่อยวางร่างกายได้ก็จะเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าเราปล่อยวางมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันมันจะเจ็บจะตายเราก็ไม่สนใจเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องเจ็บถ้าต้องตายหรือว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราความหมายก็อยู่ตงนั้นอนิจาวัตถสังขาราอุปาดัยะมีการเกิดขึ้น ทำให้โนอุปิชิตาวาเนรุชาติมีอาการขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปการไม่ยึดติดการลุดพ้นจากการยึดติดในร่างกายเป็นความสุขอย่างยิ่งวันนั้นฟังบารลีได้อย่างเดียวอยากฟังแปลภาษาไทยครับทุกครั้งเวลาพระท่านชักผ้กาบางสกุลเวลาญาติโยมไปทำบุญบางสกุลท่านกันย ส่วนคํานี้อันนิจจาวัดาสร้างกล้าอุปดาวายธรรมินนโนอุปจิตตวเนรุนชันติในสร้างอุปสมุสโคไม่มีต่อยนิดหน่อยแต่เราไม่เคยสวยดจำก็ได้นะเวลาที่มีมนพัดขึ้นไปเมชชัพภาคท่านก็จะท่านก็จะกล่าวคำนี้เหมือนกันครับก็เป็ทั้นสอนเราไงสอนตัวท่านเอ ง, องตเอแล้วก <laughs> ็สอนเราด้วยแต่เพียเราฟังภาษาแข็งไม่รู้เรื่อง ตอนนี้งานจะสวดเป็นภาษาบาลนนีภาษาไทยจะดีกว่าคนฟังจะได้เข้าใจหลังขาร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่เนาะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาการปล่อยวางการไม่ยึด ต, ติดอยู่ก็นั่งได้นี่ได้เป็นบุตรเป็นความสุขอย่างยิ่งฟังอย่างนี้ดีกว่าอยอะเลยครับจะ <laughs> ก็เพราะว่าคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ได้ปัญญาได้ความสงบเพิ่มขึ้นเลยครับพยายามปล่อยวางนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นตุ๊กาตาตัวหนึ่งเป็นเครื่องมือนหนึ่งเราเพียงแต่เป็นเหมือนผู้ผู้ชักใหญ่มันเราอยู่ข้างหลังมนะันเป็นผู้สั่งการให้มันทําอะไรต่างๆให้กับเราแต่เราไม่ได้เป็นมันเราเป็นผู้รู้ผู้คิดให้รู้อย่างนี้แล้วจะได้ไม่กลัวตายกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จจะปล่อยวางได้ก็ทำได้รูปประชานขึ้นไปรูปประชานสีขึ้นไปให้ได้หุเบกขาเราจะมีกำลังวางเฉยได้กับโอกาสอาจารย์คำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับจากคุณดำครับวินาทีที่เราตายจิตดวงสุดท้ายหรือจุดติจิตจะเคลื่อนจากร่างเดิมไปเกิดปฏิสนธิจิตทันที mm hmm. เป็นจิตดวงแรกของชาติต่อไปแสดงว่าคนเราตายปุ๊บ ก, ก็ไปเกิดปั๊บทันทีใช่ไหมครับ คือมันไม่ต้องไปเกิดแล้วเพราะมันเป็นอยู่แล้วเราเป็นเทพเป็นเปรตอยู่แล้วนั้งแต่ร่างกายยังไม่ตายเพราะร่างกายไปแล้วก็ไปอยู่ตามสภาพของเราเราเราเป็นของเราอยู่แล้วถ้ามอกว่าร่างกายเป็นร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี้อาจจะเป็นเทพก็ได้อาจจะเป็นเปรตก็ได้อาจจะเป็นนรกก็ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่เพียงแต่มีการเหมือนกับถอดปักทั้งแห่งจิต จิตถอดปัจจออกจากร่างกายตัวจิตเป็นเป็นอะไรตอนนั้นมันก็เป็นอยู่แล้วมันมันไม่ได้มามีการเกิดแล้วอะไรมันมันเป็นไปตามบุตามบาปที่ทําไว้อยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่อยู่แล้วเป็นโซดามันก็เป็นโสดาอยู่แล้วมันไม่เป็นจุตติเป็นโสดานนะเป็นอะไรมันก็เป็นอยู่แล้วเป็นเทวดามันก็เป็นอยู่แล้วเป็นชาติเป็นพรมมันก็เป็นอยู่แล้ว พอาจารย์ครับผมเห็นคนตายแล้วผ ม, ผมก็รู้สึกผมมีความรู้สึกว่าผมสบายดีนะถ้าถึงเวลาของเรามันกเน็เป็นความรู้สึกที่ตองใช่ไหมครับอาจารย์คือถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นนั่งกายแล้วเราก็รู้ว่าการตายก็เป็นเหมือนการนอนหลับไปนั่นีอแล้วตอนที่เราจะนอนหลับสบายก็คือเราก็ทำใจให้สงบไปอ ย, อย่าไปยึดย่าไปติด เราได้ความรู้เหล่านี้มาแล้วเพียงแต่ว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่าตอนนั้นก็ต้องพิสูจน์ดูอีกทีแล้ตเราไปอยู่ที่หน้ากู ด, ดูไปเจอความตาย ใ, ใกล้ๆกับความตายดูเราดูว่าเราจะทำใจให้เฉยเฉยเฉยแน่เป่ปล่อยวางมันได้เปล่าถ้าปล่อยวางได้เราก็จิตก็จะสงบเย็นสบายไวให้ร่างกายตายไป คุณแว่นครับก่อนนอนระลึกถึงความตายของตัวเองและระหว่างวันถ้าได้ยินข่าวคนที่รู้จักและไม่รู้จักตายแล้วย้อนนึกถึงตัวเองว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกันเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่เป็นบานสติแต่มันต้องทำอย่างต่อเนื่องคือแทบจะไม่ลืมเลยถึงยันดีถ้าเป็นจะต้องรอให้ดูให้มีข่าวคนตายก่อนแล้วถึงค่อยมามัน มันก็ทําให้เรายัางไ ม, ไม่ไม่มีความกระตือรือร้นพอแต่ถ้าเรามานึกถึงความตายของเราว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ตายวันนี้ตามเพื่อนตามคนที่เราที่เขาตายกันวันนี้ก็ได้ถ้ า, าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เราเริ่มคิดว่าแล้เราจะทําอย่างไรกับชีวิตของเราดีอาจได้เป็นได้ตายตายไปคนหนึ่นก็ไปกินมดใช่ไหมเนี่ยทรัพย์สมบัติเจ้าของต่างๆที่กินมดมาอยู่เนี่ยสมมุติถ้าเกิดตายไปตอนนี้เป็นของใครไปแล้ว เอามาถ้าเป็นแทบตายถ้ามีไว้ทําไมรุของเราสิข้างหลังข้างฝาหราังไปมีอะไรเลยเนี่ยตายไปในตฟะฟ้าเปล่าวันนั้นแอบมองเข้าไปในกรุดพระอาจารย์ก็เห็นแดกแค่กับเสือเองครับพระอาจารย์มีเท่าที่จําเป็นนะฮะมีแค่ปัจจัยมีแค่อัฐบริขาร์นและของเล็กๆน้อยๆที่จําเป็นจะรับใช้ ไม่แล้จะมีไว้ทาไมเอาความสุขที่ไม่ได้ไม่ได้อาศัยสิ่งต่างๆนี่าเอาความสุขจากการทำใจให้สงบนี้ด้วยสติด้วยปัญญาแล้วมันสงบไปตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งหนตมลใดจะอวอนยากาดแค้์ยังไงความสงบนี้ก็ยังอยู่กับเราไปตลอด คุณวันเพ็ญครับเขาอกาสถามเรื่องการตั้งความปรารถนาไม่เกิดแล้วรักษาศีลฝึกสติสมาธิปัญญาเมื่อตายแล้วไปสู่สุขติภูมิจิตจะระลึกถึงความตั้งใจและปฏิบัติต่อในภพชาติถัดไปไหมเจ้าคะกับอาจารย์ครับมันก็แล้วแต่ว่ามันความปรารถนาของเรานี้มันฝังลึกไม่ลึกมันถ้ามันฝังเมลึกมันก็จะลืมได้มันอยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิของเราเนี่ย ปฏิบัติมากน้อยถ้าปฏิบัติมากมันก็จะฝังอยู่ในใจในในมากแต่ถ้าปฏิบัติไม่มากมันก็มันก็จะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ไมนานอันนี้ไม่ต้องไปกังวลพยายามปฏิบัติตอนนี้ให้มันเสร็จสิ้นกิจไม่ต้องไปต้องกลับมาเกิดเลยดีกว่าพระเจ้ารับประกันอยู่แล้วว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี จะได้เสร็จเสร็จภารกิจอันนี้เสียทีคุณสักจักครับหลานเพื่อนเพิ่งประสบอุปัติเหตุกำลังตั้งศพเลยครับเศร้ามากครับถ้าพิจารณาความตายอยู่อะไรก็จะไม่เศร้าจะรู้สึกเฉยๆแล้สดงว่ า, วาวเป็นเรื่องธรรมดาการไม่ตายเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติการตายนี่ยเป็นเรื่องเรื่องธรรมดา การอยู่นี่เรียกว่าเป็นการเรื่องธรรมดาแต่เรามองสลับกันเรามองสลับกันนะกลับไปมองเห็นว่าการอยู่นี่เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาการตายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาอต่ก่อนที่พรเจ้าบอกเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกว่าเรามีการอยู่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความอยู่ไปไม่ได้ใช่ไหม หาคำถามครับคุณพ ร, รวีครับอยากเรียนถามว่าการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทำอย่างไรครับคือมันเป็นการแปลภาษาจากบาลีมาสู่ภาษาไทยซึ่งภาษาบาลีเขาอาจจะไม่ได้หมายความอย่างที่เราแปลก็ได้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเราเรียนภาษาอังกฤษแล้วคนก็ถามว่าคุณพูดคุณ you speak English ก็บอกว่า s แน็คสแน็คฟิชฟิชเนีูปปลาหลังฟังแล้วฟังงนี่มีหมายความว่าย่งไรว่า s แน็ค s แน็คฟิชฟิชอันนี้ก็เหมือนกันน่ะการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนามันก็แบบเหมือนกับมูปปลาเนี่ยแต่ตรงตัวไปเราต้องดูที่ตัวตัวตัวการปฏิบัติจริงๆว่าถ้าให้ทำอย่างไงพิจารณากายในกายก็พิจารณา เรื่องเกิดแก่เจ็ตตายของร่างกายเรื่องอาการสามสิบสองของร่างกายเรื่องการเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของร่างกายก็แปลว่าให้พิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเวทนาก็เหมือนกันเจตก็เหมือนกันธรรมก็เหมือนกันพอเราแปลภาษาจากภาษาหนึ่งมาเป็นภาษาหนึ่งตรงตัวมันความหมาย ม, งงมันก็เลยงงกัน ถ้าเราถ้าเราไป็นคนไทยแล้วเราไปแปลไปแปลให้พหลังฟองผู้หลังถามว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไ oh, right. <laughs> หมวอได้งูปรลาผู้หลังฟังแล้วไม่เข้าใจอันนี้ก็แบบเดียวกันอย่าไปอย่าไปอย่าไปถืออภาษามากเกนเกิดไวปดูดูความหมายของภาษาว่าเขามีความหมายว่าอย่างไรการพิจารณาร่างกายพยิจารณาเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยง ก็ดูในหมวดของของการพิจารณากายท่านให้พิจารณาอะไรบ้างท่า น, นก็ให้พิจารณาอาการ32ให้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายให้พิจารณาธาตุสี่ที่น้ำลมไฟให้ให้พิจารณาทราบศพสิบชนิดเนี่ยอันนี้ก็คือการศึกษาธรรมชาติของร่างกายนี่พิจารณากายในกายก็คือศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นอย่างไรเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนสวยงามหรือไม่สวยงาม คุณวันวิสาครับตอนนี้บวชชีพราหม์อยู่ที่วัดยาณค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคุณแม่ท่านเสียไปแล้วหนึ่งปีกับ5เดือนมาบวชทรงบณ์ให้คุณแม่ท่านจะได้รับไหมคะก็แล้วแต่ว่าท่านอยู่ในฐานะไหนถ้าท่านเป็นเศรษฐีบุญท่านก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญถ้าท่านเป็นขอทานท่านก็อาจจะมารอรับก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าท่านจะมาขอท่านจะต้องมาเข้าฝันเราก่อนมาส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าท่านต้องการ ถ้าไม่มีการส่งสัญญาณก็แสดงว่าท่านถ้าไม่มารับเราแต่เราก็ทําไปตามธรรมเนียมตามประเพณีเผื่อไว้แปลว่าท่านมาส่งสัญญาณแล้วเรารับไปได้อ่าขาดการต่อขาดการสื่อสารกันเราก็ทําไปก็แล้วกักกนเวลาทําบุญแก็รับเอาอุทิไปคุณชยดาครับมีความลังเลใจระหว่างคลองชีวิตคารวะกับนักบวช ถ้าเรายังใช้ชีวิตคารวะแต่รู้สึกว่ามันยากและรู้สึกเบื่อหน่ายจะเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบนักบวชเต็มรูปแบบนี้ควรทําอย่างไรครับก็ทำธรรมอาทิตย์ละวันก่อนไงหาวันที่เราว่างจากภารกิจการงานซึ่งสมัยก่อนก็คือวันพระวันพระเป็นวันหยุดทํางานแต่เนื่องจากสมัยนี้เขาเปลี่ยนวันหยุดทํางานจากวันพระมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราก็อาจจะต้องใช้วันเสาร์วันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งมาเป็นวันที่เราจะมาฝึกอยู่แบบนักบวช ถือสีลแปดกินข้าวงี้เดียวแล้วกินไม่ไม่เกินหลังเที่ยงวันไปแล้วอยู่แบบเรียบง่ายไม่ต้องทำอะไรดินโยกมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมรเทศฟังธรรม ท, ท, ท, ทั้งลองทำเดี๋ยวทั้งวันทั้งนพยายามเจริญสติอย่างต่อเนื่องอยูอย่ดูซิว่าจะทำได้ไหมวันหนึ่งตอนถ้าทำแล้วทำได้ก็ลองสองวันต่อไปเราจะเพิ่มเป็นสามวัน ลดงานลงทำงานให้น้อยลงมีญาติโยมบางคนอย่างนี้เขาฟังเราเขากาเริ่มลดงานน้อยลงมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นไปถ้าเราเริ่มทำมไปทีละเก้าไม่ใช่ทำดีแบบพวดพลาดเป็นการเดินแล้วก็ค่อยๆหัดหัดยืนก่อนยืนได้แล้วเราก็ค่อยๆหัดเดินเดินไปแล้วก็า จ, จะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินใหม่ล้มลุกคลายไปก ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะไปบวชปฏิบัติแบบเต็มร้อยเลยเราก็เอ า, เอาทิศละวันก่อนหรือศีลแปดไปหาที่สงบไปอยู่ตามวัดที่มีที่ให้เราอยู่ตามลำพังไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเราจะได้มีเวลาเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะทำแค่นี้สามอย่างในตลอดระยะเวลายี่บสี่ชัว่วโมงโดยเฉพาะการเจริญสติที่ทาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนบ ในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวเราใช้คําบาลีคำพุโทโธพุโทโธก็ไนดะ้หรือจะใช้การเฝ้าดูการกระทําการเคลื่อนไหวของล่างกายก็ได้เป้าหมายก็คือเพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องเล่าต่างๆแล้วมา น, นั่งสมาธิใจก็จะสงบง่ายพอใจสงบแล้วมีความสุขที่นี่มันจะติดใจนะรับประกานได้เลยขอให้มันสงบเพียงครังเดียวแนะแค่เพื่อนแค่ชั่วหูแลบลิ้นก็เจอ มัจะรู้สึกมาสะจะใจว่าอใจของเรานี่มันสามารถผลิตความสุขแบบนี้ได้โดยไต้องไม่ต้องมีอะไรเราได้สัมผัสอย่างนี้แล้วท่นี้มันก็อยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปเองคุณสมพรครับอยากทราบการปฏิบัติการดูแลสังขารร่างกายในทางธรรมควรต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรครับ <c oughs> แบบเรียบง่ายแบบ น, น้อยสันโดษพระเจ้าสอน ให้เราดูแลร่างกายแบบมาก น, น้อยสันโดไม่ต้องรู้หราไม่ต้องใช้ของแบรนด์เน่ไม่ต้องใช้ของฟุ่อเฟือยอาหารก็แบบชาวบ้านชาวบ้านแบบผ้าไปเป็นทบาเนี่มียินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็กินไปอย่าจู้จี้จุกจิกอย่าไปเลือกอาหารอย่าไปติดรสชาติของอาหารวิธีที่จะแก้ถ้าอย่างจู้จี้จุกจิกติดรสชาติก็เอาอาหารทั้งหมดนี้มาคุกมารวมกันในชามทั้งของเคาวของหวานะ อ๋อเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องใช่ไหมเรากินเพื่อร่างกายแล้วไม่ได้กินเพื่อกิเลสวิธีเราจะจะดัดกิเลสก็คือต้องเอ า, อาหารที่เราจะเอาเข้าไปรวมกันในท้องนี้รวมกันในชามก่อนคุก ม, มันเข้าไปกาแฟใส่เข้าไปน้ำจีนใส่เข้าไปอะไรใส่เข้าไปแล้วก็ตัดกินเข้าไปจนกระทั่งจะอิ่มก็หยุดกินมือเดียวก็พออยีู่แบบนี้่ระพาท่าน ท่านท่านอยู่แบบนี้กันท่านท่านฉันมือเดียวฉันได้บาตรอาหารทั้งหลายใส่ไปในบาตบางองใส่ไปแล้วก็คลุกเป็นแบบอาหารจานเดียวไปเลยบางท่านก็แยากเป็นส่วนในบาตนะข้าวไว้มุมหนึ่งกับไม่มุมหนึ่งของหวานไว้มุมหนึ่งก็ได้บางท่านก็ไม่แยกแต่ก็ไม่ได้คลุกหวอยให้มันใส่อะไรก็ใสเข้าไปใสตรงไหนก็ได้ก็มีสามวิธีสําหรับการกินกินแบบพระ กินแบบแยกแยกส่วนกินแบบไม่แยกส่วนใส่เข้าไปแต่ไม่ยังไม่คลุกอย่างที่สามก็กินแบบคลุกคลุกแบบนี้ล้เราคลุกข้าวให้หมากินอย่างนีน้อันนี้ดัดกิเลสไม่ได้ดัดไม่ไม่ได้ดัดใครหรอกดัดกิเลสกิเลสมันชอบติดลดรูปรดเสียงกินรดของอาหารอาาต้องมีรูปร่างอย่างนี้ต้องมีรูอย่างนี้ต้อง กินของหวานกับของเค้าก็ปบบนกันไม่ได้ช้อยไงต้องแยกกันเลยช้อยของเค้ามันเค็มมากกินของหวานมันทําให้เสียรสชาติอันนี้มันเรียกว่าติดรสชาตินะติดรูปต่ตางๆของอาหารเราต้องดัดสันดานมันอยู่แบบเรียบง่ายกินแบบเรียบง่ายเสื้อผ้าก็แบบเรียบง่ายไม่ต้องมีแบรนด์เน่ไม่ต้องมีอะไรไว้ปกปิดร่างกายได้ก็พอที่อยู่อาศัยก็พอหลบแดงหลบฝนได้ มันต้องเป็นคอนโดราคาเป็นร้อยล้านพันล้านยารักษาโรคก็สมัยก่อนนั่นก็ใช้ยาดองน้ำมูลน้ำปัสสาวะเอาสมอมาดองน้ำปัสสาวะเวลาเจ็บท้องเวลาปวดหัวก็ดื่มหน้ามีไปเป็นยาสามัญประจำบ้านอันนี้เรียบง่ายแบบอยู่ลยสันทัญทางทำท่านทำเงินแบบนี้ พระอาารครับทำไมพระป่าถึงไม่ใช้ช้อนล่ะครับระอาจารย์ก็ใช้มือก็เพราะเวลาบวยอประชาชนไม่ได้ช้อนมานบอกไมบวชจะให้สบายไปเดียวสบายไปเดียวอก็แล้วธรรมเนยมของคนไทยเรววากินหารสมัยก่อนก็ใช้มือกินอย่างนั้นกินใช้มือกินกันอยู่แล้วแล้วทางอีสานนี่ท่านก็กินเข้าวเหนียวกันมันใช้ช้อนมันก็ไม่ไม่ถนัด มันก็ใช้ใช้มือฟั้นข้าเหนียวกิมกิมน้ำพริกอะไรกินกันไปเพ <Okay. S 1> ราะเพราะป่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวภาคอีสาก น, นกันนันอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของของการปรับปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมก็ได้ น, นแต่ท่านเคยถามมีคนถามว่าน้ปงปูน้องตาว่าทำไมไม่ทำไมต้องฉัน ทำไมไม่ฉันช้อนก็เพราะว่าท่านบอกเวลาบวดผมประชามัไม่ได้ช้อนมาด้วยให้บาลมาไปเดียวแต่งว่ามีคนเคยถามคำถามนี้กันหลงตามมาแล้วมีครับมันตอนผมปวดมันทําให้ผมสดน้ำแกงไม่ได้ครับอาจารย์ค็ไมไม่ม่มีวิธีเลี่ยงก็เอาน้ําแกงใส่แก้วไว้แก้วที่เราใช้ดื่มน้ำคุณสมพรครับ การดูแลธาตุขันให้แข็งแรงเพื่อให้เราเอาแรงเอาธาตุขันไปทําความดีเข้าใจอย่างนี้ถูกทําแล้วหรือยังครับถ้าคิดอย่างนี้ก็ดีแต่โกยเอาธาตุขันไปทําอย่างไม่ดีอย่างเอาธาตุขันไปหาราบระลดสรรเสริญหารูปเสียงกินลดชมากกว่าครับอุณพี่ขวัญครับดิฉันตั้งใจไว้ว่าถ้าตายจะไม่จัดงานศพจะเผาเลยอย่างนี้ผิดไหมครับเพราะไม่อยากให้เป็นภาระคนข้างหลังครับ ก็อยู่ที่ว่าคนข้างหลังว่าจะจาดหรือไม่จัดนันไม่ใช่เรียองของเราเราสั่งเขาได้แต่เขาจะทําหรือไม่ทำนั้นก็เรื่องของเขาคุณสมพรครับถ้าอยากศึกษาและปฏิบัติธรรมเสมือนให้เหมือนกับการเรียนทางโลกที่สมมุติโลกถึงเ ป, ปริยญาเอกที่เราเรียนกันการเรียนถามพระอาจารย์การเรียนปฏิบัติระดับปริญญาเอกคือการต้องปฏิบัติธรรมศึกษาทํากันอย่างไรครับก็ต้องเริ่ม <c oughs> ต้นต่้งแต่อานุบาลก่อน นร่นต้นก็คือไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรสาคัญต่างๆที่หนังสือที่เราคัดมาให้ห้าพระสูตรนี่เราไม่อ่านดูลองดูซิว่าเราจะปฏิบัติตามได้ไหมแล้วถ้าเราติดกาดตรงไห น, นเราก็ไปถามถามผู้รู้ไปถามพระว่าข้อนี้ต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรไปก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนเป็น ต, ต้นก็ศึกษาก่อนแล้วก็ เรื่อปฏิบัติก็อาจจะปฏิบัติได้เล็กเล็กแต่น้อยก็ทําไปก่อนเช่นทำวันหยุดวันพระวันที่เราไม่ต้องไปทํางานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆการปฏิบัติมันก็จะก้าวไปจากศีเลเริ่มทําที่ศีลห้าแล้วก็ไปที่ศีลแปดแล้วก็ไปฝึกไปอยู่คนเดียวไปเปียกวิเวกเจริญสตินั่งสมาธิให้ได้ก่อนแล้วขั้นต่อไปก็ไปศึกษาปัญญาให้เห็นว่า ร่างกายไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาความเจ็บความความเจ็บความไม่เจ็บนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นไม่ให่ตัวเราของเราจิตก็คืออารมณ์ต่างๆก็ไม่เที่ยงก็แปรปรวนไปไศึกษาให้เข้าใจแล้วปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดก็จะได้ปริญญาตีโทเอกไปตามลําดับคุณมิตรัราชครับ อยากทราบเคยยกร่างให้โรงพยาบาลไปนานแล้วถึงเวลาให้โรงพยาบาลจัดการทุกอย่างไม่ทำพิธีกรรมใดๆเลยได้ไหมครับได้ก็ไม่มีใครเข้าห้ามก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไ ร, รมีคำถามจากคับเฮาส์ครับอาจารย์ครับลูกได้ํำการแสดงธรรมในอดีตที่องค์ท่านเคยแสดงธรรมไว้ว่าอีกหน่อยคน ที่เราเห็นพบเคยเห็นรวมทรัพย์สินสิ่งของที่เคยเห็นเคยมีเคยสยะสมมามันก็หายจากโลกที่อยู่จนหมดสิ้นก็คือตัวเราตายนั่นเองให้คิดว่านั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาลูกจึงนำมาพิจารณาอยู่บ่อยๆจึงทำให้จิตลูกเกิดความว่างครับลูกพิจารณานำมาปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราปล่อยวางไม่ติดไม่อาศัยมันได้หรือเปล่า อยู่แบบพระได้เปล่าอยู่แบบมีแค่ อ, อัตตาบริขาได้เปล่ามีแค่บาทมีแค่มีแค่ของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นไม่มีของอย่างอะไรอย่างนึงคุณมาริษาครับ เคยลองสังเกตสอวอที่อายุประมาณเจ็ดสิบปีขึ้นไปสักรวและวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพมีความไม่สบายนิดๆหน่อยๆจะต้องพบแพทย์บ่อยๆและมีความวิตกจริตมากกลัวตายเป็นเพราะเขาไม่รู้จักกดไตรลักษณ์อยากขอความเมตตาจากพระอาจารย์เวลาเราแก่มากแล้วและใกล้ตายควรวางใจอย่างไรเจ้าคะ่ะถ้าควรปล่อยวางร่างกา ย, ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องตายก็ยปล่อยให้มันตายไปอย่าไปอยากให้มันไม่ตาย ไปอยากอยู่อยู่เฉยๆมันอยู่ได้ก็อยู่ไปมันอยู่ไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปคุณสมพรครับการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจธรรมาชาติชีวิตที่มีเกิดแก่เจ็บและตายอย่างนี้ถือว่าเป็นการเจริญสติหรือการเจริญภาวนาหรือยังครับคือมันอยู่ที่ว่าเราเจริญมากก็ เ, เจริญน้อยครับ อย่างที่พรเจ้าเคยถามพระอนนวลว่าอนนวลวันหนึ่งเธอเลิกถึงความตายทั้กี่ครั้งอนนวลก็บอกว่าเลิกครัเจ้าเราเลิกถึงความตายวันละสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระเจ้าบอกว่าเธอยังประมาทอยู่ยังไม่พอเพียงถ้าถ้าจะมัดเธอไม่ประมาทเธอต้องเลิกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละการจเจริญสติแท้จริงต้องเจริญทุกลมหายใจเข้าออก ไม่คิดอะไรคิดว่าเดี๋ยวก็ตายหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการเจริญสติการเจริญภาวนาจริงๆคุณนทัทพัชพักครับปรับพระอาจารย์ครับผมขอรบกวนสอบถามพระอาจารย์กรณีนั่งสมาธิแล้วมีผ้าพระอาจารย์และหลวงปู่ทวดหรือหลวงปู่มั่นขึ้นมาในจิตที่นึกคิดตรงนี้ถือว่าการนั่งสมาธิมีความถูกต้องหรือมีความผิดหรือไม่ครับ ก็ไม่ผิดหรอกถ้าเรายังถ้าเราไม่ไปสนใจมันถ้าเรามีมีมีองค์ภาวนาคือเราต้องมีมีพุทโธหรือมีการดูลมหายใจไม่ใช่นั่งเฉยเฉยนั่งก็ต้องมีอะไรเป็นการเจริญสติพุทธานุสติก็พุทโธพุทโธไปอนาปนสติก็ดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจนังนี้ พิจนาว่าเป็นตายลักไปเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เราควบคุมบังครับไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปแต่เราไม่ต้องให้ความสําคัญให้เราให้ความสําคัญอยู่กับการภาวนาพุโทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกทั้งเพียงอย่างเดียวแต่เรีกได้ว่าเป็นการนั่งฝึกสมาธิที่ถูกต้องคุณองุงผลเปรี้ยวครับ คนที่สติไม่ดีจะมีโอกาสได้ทําบุญหรือพ้อพนชาติที่เป็นอยู่ไหมเจ้าคะเพราะเขาคงไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ถือว่าเขามีอุเบกขาไหมเจ้าคะเพราะยากไม่มีสตินี่มันต้องใช้เขาเวลา ม, มีมีเวลาที่จิตของเขาเริ่ ม, เ ร, มเริ่มพ้นจากสภาพที่ทําให้เขาไม่มีสติเขาก็อาจจะได้สติกลับมาทีละเล็เท่าน้อย หรืถ้าเขาโชคดีเขาไปอยู่กับคนที่ฉลาดคนเช่นฉจาดก็้า จ, จะมีอุบายปลกให้เขามีสติเพิ่มขึ้นมา ก, ก็ได้เช่นสถานี้ก็มีโรงเรียนฝึกเด็กที่พิการทางสมองไม่มีสติเขาก็ฝึกเด็กให้มีสติให้ทําอะไรต่างๆเด็กก็เริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มรู้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัเองได้ดีขึ้นคุณก้าวเดินต่อไปครับ ไม่กล้ามองของไม่สวยไม่งามต้องทําอย่างไรเจ้าคะไม่รู้จะตอบยังไงดีไม่รู้จะตอบยังไงครับคุณหมอตอบได้ไหมไม่กล้ามองไม่สวยไม่กล้ามอก็อย่ามองก็แล้วกันถ้าไม่กล้ามองก็อย่ามองไปทําทําบุญก่อนดีไหมครับอาจารย์ทำทานสืบอะไรครับ ยังยังยังยังห่างไกลต้องฝึกสติให้มากขึ้นให้ใจมีอุบเบกขาให้มากขึ้นถึงจะมีกำลังที่จะมองของไม่สวยไม่ ง, งามได้คุณสมพรครับบางวันเราเห็นข้อเท็จจริงของชีวิตแต่บางวันเราก็หลงมัวเมาไม่เห็นความจริงของชีวิตอย่างนี้แสดงว่าเรามีสติไม่เข้มแข็งพอเข้าใจถูกต้องนะครับใช่สติยังมับุ้คคลคานอยู่างวันก็มีสติบางวันก็ลืมเพราะสติ ไม่ได้คิดถึงความตายเราควรจะฝคิดถึงความตายตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาตอนที่เราจะเริ่มทําอะไรมันต้องพิจารณาความความตายก่อนแล้ววันนี้เราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้คุณก้าวเดินครับคนที่สายตาสั้นเกิดจะทํากรรมอะไรเจ้าคะ่ะไม่ใช่เหมือนกัน <c oughs> คุณอัชาราครับถ้าเราตายแล้วให้ญาติจัดการศพโดยการสวดเช้าเผาช่วงเย็นเสร็จภายในวันเดียวเท่ากระดูกให้ฝังไว้ใต้โคนต้นไม้ที่บ้านเพื่อเป็นปุ๋ยจะผิดประเพณีแตกจากผู้คนทั่วไปหรือไม่เจ้าค่ะอ่ามันก็ผิดแต่ประเพณีของคนทั่วไปเขาไม่ได้ทําอย่างนี้เนี่ยแต่ก็ไม่ไม่ไม่ผิดธรรมะไม่ผิดบัดทํารมใดอย่างไรจะ ท, ท, ทํางคร่างกายที่ตายแล้วได้ทั้งนั้นทำไมก่อนก็นเอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้าให้มันเน่าเปื่อยให้มันเป็นอาหารของ ของสัตว์ไปของหมามากัดมาแท้มากินไปได้ทั้งนั้นนะ่ะเรื่องของผลร่างกายเวลามันตายไปแล้วจะบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ได้นะแต่อาายากจะทํำยังไงก็ทําได้ไปเขียนพินัยกรรมไมว้แล้วนั่นคุณมาริษาครับที่ต่างประเทศมีการทดลองต่างๆเพื่อให้เป็นอมตะมีความตายพระอาจารย์คิดว่าในอนาคตเขาจะทําสําเร็จและมีกฎของธรรมชาติได้ไหมเจ้าคะ่ะ มันทำลำลํมาลมโลกี่แสนล้านปีสมัยอียิปต์เขาก็าสร้างเขาสร้างปิรามิดเอาร่างกายไปเก็บไว้เพื่อไม่ให้มันเน่าเปื่อยมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาคุณ Mindfulness ครับเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือการทำให้จิตตายเหมือนศพถูกหรือไม่เจ้าคะไม่ใช่จิตไม่มีวันตายการทำให้จิตนี้ปล่อยวางร่างกาย ไม่ย็ดไม่ติดกับร่างกายไม่ทุกกับร่างกายคุณสิริพัฒ์ครับเก็บรังนกจากบนหลังคาที่มีไข่ด้วยมาวางไว้ที่พื้นบากใหม่เจ้าคะ่ะถ้ามันไม่ตายก็ไม่บากถ้าไม่ทำลายให้มันตาย คุณปราณีบอกว่าหลายสิบปีมีเพื่อนที่ทำงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วไปรับศพที่มิติเวทเดินหลงเข้าไปที่ห้องที่มีคนกำลังนั่งเย็บศพเ้าบอกว่าจำติดตาเลยค่ะก็ดีมันก็จะทำให้ำใหหนำไม่ลืมความตายกัน พีชมพรครับทุกวันนี้โยมเพียงได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์โยมเกิดความรู้สึกผ่อนคลายสุดๆใจมีความสงกกบกว่าการได้รับข้อมูลข่าวคราวหรือเสพข้อมูลข่าวสารจากวิทยุที่มีเรื่องของรูปเสียงกินรถโพธิพะเป็นเรื่องของกิเลสล้วนใจไม่ผ่อนคลายแต่ก็ฟังบ้างยามที่จิตพร้อมแต่เมื่อจิตต้องการความสงบ ก, ก็จะอาศัยเข้าสมาธิด้วยการฟังธรรมะของพระอาจารย์รู้สึกอย่างนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าครับคลื่นสมองมีความสงบสัมผัส ร, รับรู้ถึงความสุขสงบน้อมกับสาธุครับ ก็เป็นผลที่เกิดจากการฟังธรรมอันที่สองการฟังธรรมมีอยู่ห้าข้อหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าธรรมที่เราเคยได้ยินแล้วถ้าเราฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสจะกจาจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้สจะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาและหําให้จิตใจเราสงบผ่องใส คุณไอวอรี่ครับเก็บกระดูกไว้ที่วัดบางคนไว้ที่บ้านบางคนลอยอังคารไม่เก็บวิธีการที่ถูกต้องทำอย่างไรครับหรือตามสะดวกไม่มีไม่มีไม่มีสิทธิจุกต้องแล้วแต่สะดวกจะทำไงก็ได้คุณมารีรัดครับแต่ก่อนเวลานั่งรถไปไหนกั บ, กบพอเห็นรถเกิดอุบัติเหตุโยมจะให้ลูกรีบขับรถให้ผ่านไปไวๆไม่อยากเห็นใจไม่ดีเลยเจ้าค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วจะภาวนาให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีและบอกลูกว่าเราก็ต้องจะหนีความตายไปไม่ได้ถูกไหมเจ้าคะแต่ลูกสาวกลัวการจากกันโยมจะสอนลูกอย่างไรดีทุกวันนี้ลูกไม่ยอมให้ไปไหนมาไหนคนเดียวเจ้าคะ่ะแต่โยมก็พยายามที่จะไปฝึกให้ลูกชินเจ้าคะ่ะโยมทาถูกต้องไหมเจ้าคะก็พยายามน้อมน้จิีใจเข้าไปในเล็กเน้อยถ้าเขายังไม่พร้อมก็ยอย่าไปบังคับเขาเพราะเขาจะต่อต้านได้ เราก็ไม่พร้อมตายก็ไหว้พระสวดมนก่อนทำใจให้สงบก่อนแล้วค่อยมาคิดถึงความตายกันคุณแพทครับทำอย่างไรจึงจะไม่รู้สึกเศร้าหมองอหูเมื่อนึกถึงความตายของตนเองและคนที่เรารักคะต้องทำสมาธิก่อนทำจิตใจให้สงบก่อนทำจิตใจสงบแล้วกิเลส ท, ที่มาร้งครับเศร้าหมองนี่มันจะไม่ทางาน มันจะถูกกาลังของสมาธิกดไว้พอใจเรามีอุเบกขาเราก็จะมองเรื่องเรื่องที่ไม่ที่จะทําให้เราเศร้ามองโดยไม่เศร้ามองได้นิสมพรครับโยมมักมีจิตมีความอาฆาตยามจิตมีความเหนื่อยล้ายามจิตมีความขุ่น ม, มัวยามจิตไม่ได้ผ่อนคลายพักผ่อนยามจิตหมุดหนิด ต, ต้องแก้อย่างไรดีครับก็เราพยายามฝึกสมาธิฝึกสติให้มากมาก มีสติมากแล้วจิตใจจะไม่ไม่ขุน่นมัวจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่งวดเหยียดคุณปราณีครับเคยวูบหมดสติเหมือนถอดปลัก๊กตั้งแต่นั้นคิดว่าความตายไม่น่ากลัวเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราควรเอามาพิจารณาเจริญสติได้ไหมคะก็อลองดูสิเราทําดูหรือว่าเราจะกลัวความตายหรือไม่ไ คุณแคทครับถ้าถึงเวลาที่เราตายเรื่องของพิธีกรรมเช่นเวลาที่สวดถ้าตายแล้วสวดหนึ่งวันถัดไปเผาเลยจะมีผลกับคนที่ตายไหมคะไม่อยากรบกวนคนอื่นครับไม่มีผลอะไรเลยคนตายนี้ผลที่มีกับคนตายก็คือดวงวิญญาณ น, นั่นก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ทับกันไว้ในขณะนี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่คุณเพนครับทุกคนมาเกิดมามีเทวดาประจาตัวรักษาคุ้มครองจริงไหคะ ไม่จริงหรอกเทวดาจะคุ้มครองแต่คนที่มีความเมตตานะคนที่เป็นคนโหดร้ายทารุณาท้าพยาบาทนี่เทวดาจะไม่เข้าใกล้คุณ i n d f ฟ l n e s s ครับ mm hmm. เรียนถามเพิ่มเติมอีกว่าทำไมผู้คนมักผิดศีลหรือไม่อาจยกจิตให้อยู่เหนือกิเลสได้เว้นแต่บางรายที่เข้ามาบวชหรือถือศีตแปดเขาจึงจะเลิกละกิเลสเช่นบุหรี่เหล้าได้จ้ค เพระสติของเขามีกําลังน้อยพอไม่พอที่จะยับยังความอยากได้สู้ความอยากไม่ได้แรงของความอยากมันมากกว่าต้องฝึกสติให้มากขึ้นแล้วเราจะสามารถที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้คุณเจสครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับการกลัวตายเพราะกลัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมต่อจะเป็นการยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและขวางกั้นนิพพานไหมครับ มความกลัวตายมันไม่ได้กลัวเพราะมไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะมันกลัวตายเพราะมันอยากจะอยู่มากกว่ายัางพยายามยอมตายพยายามยอมตายคุณคุณรินครับบอกว่าเป็นพยาบาลก็ได้มีโอกาสเห็นคนตายอยู่บ่อยๆค่ะถือว่าเป็นบุญที่ได้เรียนรู้และได้สัมผัสทั้งเกิดแก่เจ็บและตาย แต่พอมีญาติพี่น้องตายก็ยังอะไรอาวร อ, อยู่ค่ะพยายามเข้าใจแต่ก็รู้สึกคิดถึงค่ะเพราะว่าเราไม่ไปไปไปนึกถึงเขาเวลาที่เราเห็นคนคนคนเจ็บคนตายที่โรงพยาบาลเราต้องนึกถึงคนที่เรารู้จัก ด, ด้วยว่าคนที่เรารู้จักพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายญาติก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้แนละ้วเวลาญาติของเราเป็นเราก็จะรู้สึกเฉย คุณตายครับตามที่ปอาจาย์ให้ระลึกถึงความตายบ่อยๆตอนนี้คุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตทําให้ยิ่งระลึกถึงความตายบ่อยขึ้นค่ะให้เราเล็กเพืเ่อเราจะได้ไม่ทุกข์กับความตายเป้าหมายอยู่ตรงนั้นเราต้องเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันพระที่ขึ้นภาะที่ตก <c oughs> คุณสมพรครับ เวลาเห็นคนขับรถยนต์ที่ไม่ถูกใจเราไม่คู่ควรไม่เหมาะสมโยมจะแอบสะบดอยู่ในใจเหมือนการผ่อนคลายของการได้เห็นคนขับรถที่ไม่ถูกใจโยมอาจขับรถไม่ดีไม่ได้ดูรถคันอื่นไม่สนใจคันอื่นการมีใจสะบดอยู่ในใจของโยมต้องแก้ไขโดยธรรมะเขาไดครับก็ต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนดินดินหน้ามุนไฟมันตกแดดออกเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะทำร่มแดดอะไก็เรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวกับเรา เราดูการทำของเราก็แล้วกันครับคุณมุกี้ครับลูกมากราบหลวงพ่อบอกว่าลูกเป็นเด็ก ด, ดีค่ะตอนนี้ทําบุญเป็นนิสัยค่ะอยากกลับเรียนถามว่าถ้าเราพิจารณาสอนจิตว่าเราตายศพเราเป็นแบบนี้จะยังอยากเกิดใหม่ใหม่อีกไหมจะทําให้จิตเราไม่อยากกลับมาเกิดใหม่ใหม่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะพอ๋อย่างเร า, เราต้องหยุดความอยากที่จะรับความสุขจากราบยกเสริรเสิร์ฟสุขให้ได้ ตัวนี้ก็ไม่กลับมาเกิดต้องไปบวชชีให้ได้ก่อนนะแล้วความสุขอยากราบเรียบสริทสุกอะไรเนี้ยก็จะมีโอกาสที่จะทําทให้เราไม่กลับมาเกิดอีกไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยคุณมาลีครับถ้าเรามีความคิดว่าไม่ต้องการไม่ต้องทํางานหรือหาทรัพย์อะไรมากมายเดี๋ยวก็ตายแล้วเอะไรไปไม่ได้ แต่ทางโลกหรือว่าพ่อแม่พี่น้องก็จะมองว่าเป็นคนไม่เอาไหนการงานไม่เป็นโลเป็นพายเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแล้วเราควรจะคิดอย่างไรดีครก็เราห้ามความคิดเขาไม่ได้เราเห็นว่าเขากับเรามองทัศมองโลกนี้มองไม่เหมือนกันเขามองโลกนี้ว่าเป็นโลกเป็นโลกที่ถาวรนลกหาอะไรมาไว้เยอะยๆเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะตายกันนั้นก็ไปให้มีความเหมือนกันไม่ได้ครับ เป็นความเห็นที่ต่างกันเปนเน็ืองธรรมดาเขาคิดอย่างนี้ก็ปล่อยเขาคิดไปแล้วคิดอย่างนี้เราก็แล้วก็คิดของเราไปเขาจะคิดอย่างไรเขาจะว่าอย่างไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้ครับุณนิดครับถือสี่ห้าต้มไข่ผิดไหมครับไม่ผิดนะถ้าเป็นไข่ของเราถ้าถ้าไม่เปขโมยไข่ของคนอื่มาต้มก็แล้วกัน อนนี้ออนี้ถามแล้วครับส่วนใหญ่จะถามเรื่องว่าไม่จัดงานศพเนี่ยหยอะเลยครับอาจารย์ครับอืวันนี้พูดถึงความตายกคิดถึงงานศพกันทุกคนนะแต่สังเกตว่าคนที่มาฟังส่วนใหญ่จะคิดว่าจะไม่ยอมจัดงานกันนะครับอาจารย์ก็มันไม่ได้อยู่ที่ที่คนตายแล้วที่จะที่จะตัดสินใจอยู่ที่อยู่ที่คนคนอยู่เขาจะจัดหรือไม่จัด ใช่ครับแต่ผมสังเกตคนคนที่เขาจัดงานเนี่ยเขาคลายความเศร้าลงไปได้พอสมควรเลยนะครับคือตอนที่ยังอยู่เขาป่วยจะตายแต่พอวันจัดงานเนี่ยเขาเหมือนเขารับแขกก็มีกิจกรรมทำดูเหมือนกับเขาผ่อนคลายลงไปอย่างนี้เป็นอุบายที่ทําให้เขารู้สึกไม่ทุกข์มากเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับก็ได้มีส่วนเพราะเขามีอะไรทําไำเลยทําให้เขาไม่ได้มานั่งหมกมุ่นกับคิดเสียงเรื่องของคนตายแล้วเราคอยจัดงานคอยต้อนรับแขกคอยเตรียมของเตรียมข้าอะไรต่างๆ เวลาที่ยัมานั่งคิดถึงคนตายก็ไม่ค่อยมีมันก็เลยไม่ค่อยเศร้าครับแล้วหลังจากเสร็จงานแล้วอาจจะมาเศร้าทีหลังก็ได้ไม่มีอะไรทําแล้วทีนี้นั่งคิดถึงคนตายแลย้วเนี่ยคุณจุ๋มครับถึงวันที่พ่อแม่เสียเราทําบุญให้ท่านท่านจะได้รับผลบุญไหมคะแล้วถ้าเราใส่บาตทุกวันจะดีกว่าไหมคะถึงวันที่พ่อแม่เสีย ้เราทําำมาให้ท่านท่านจะรับบุญหรือไม่นั่นก็อยู่ที่ว่าท่า น, ท, านท่านต้องการบุญหรือไม่ถ้าท่านต้องการบุญท่านต้ามารอรับอยู่ท um> ่านก็ได้บุญแต่ถ้าท่านมีบุญเยอะแยะแล้วนั้นก็ไม่มารอรับบุญของเราเพราะบุญของเราเป็นเหมือนมันเปนเหมือนเงินให้ขอทานถ้าท่านมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมอยู่ในมือท่านก็ไม่จามารอรับเงินที่ให้ขอทานคุณปุ้ยครับอาทิตย์ที่แล้วมีสิ่ง เข้ามาทําให้ความรู้สึกแกว่งรู้สึกรู้ถึงความไม่สบายใจต้นตอเรื่องมาจากความเข้าใจผิดของเพื่อนร่วมงานเราควรวางใจยังไงไม่ให้แกว่งคะรู้ตัวว่าแกร่งตลอดแต่ก็ยังแกว่งคะ่ะเวลาแกว่งก็ทำพุโทโธพุโทโธไปให้มันหยุดแกว่งพอหยุดแกว่งแล้วก็พิก็สอนใจว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้บางทีมันก็ไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปควบคุมบังคับได้ความรู้สึกของเขาหนึ่นเขาจะรู้สึกอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ คุณสมพรครับโยมทามาหาเลี้ยงชยีอยู่ที่ปัตตานีในใจโยมอยากมาปฏิบัติธรรมที่วัดญาณให้บ่อยๆแต่ในทางปฏิบัติอาจจะไม่สะดวกมากนักเพราะระยะทางเป็นเหตุเลยต้องฟังธรรมะของพระอาจารย์และยึดการปฏิบัติตามธรรมะที่อาจารย์สอนมาทดแทนอย่างนี้พอจะเข้าลูกเข้าทางาได้ครับได้ส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องอาศัยหาสถานที่ที่ปฏิบัติซึ่งที่ไหนก็ได้ที่มันที่มันสงบเงียบวิเวกไม่จําเป็นจะต้องมาที่นี่ มาที่นี่ก็ไม่ได้เจอเราตลอดเวลาอยู่แล้วจ ะ, จะเจอเรามากก็ตอนที่เข้าเข้ามาในใ น, ในเนนี้สามารถถามอะไรได้อย่างอย่างอย่างต่อเ น, นื่องชั่วโมงครึ่งในสมัยนี้เราเช่าดีเรามีเทคโนโลยีที่เราสามารถสื่อสารกันได้โดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากันไม่ต้องอยู่ใกล้กันจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกาบเรียนขอคําอธิบายเกี่ยวกับความอยากทําบุญ อยากปฏิบัตินั่งสมาธิเพราะได้บุญความคิดที่ผิดใช่ไหมคะแล้วจะตั้งจิตอย่างไรเจ้าคะอ๋อแม่เหรอความอยากมันมีสองชนิดความอยากที่เป็นประโยชน์กับความอยากที่เป็นโทษความอยากที่เป็นโทษก็คือความอยากที่จะไปหาความสุขจากลาบยุสรเสริญสุขนี้มันเป็นโทษเพราะมันจะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ความอยากที่จะไปทําบุญรักษาศีลนั่งสมาธิความเทศคํามธรรมนี่เป็นความอยากที่เป็นคุณประโยชน์ พ่อมันจะพาให้เราได้หนุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกินดังนัความอยากทําบุญเวามอยากปฏิบัติธรรมนี้เองยังไม่ถือว่าเป็นเป็นปัญหาไม่เป็ น, น ไ, ม ไ, มไม่เป็นกิเลสแต่เป็นมรรคไม่เป็นธรรมคุณอภิดีครับกล่าวพระอาจารย์ครับถ้าคนที่กินออแกนิกถือว่าเป็นคนกินยากอยู่ยากไหมครับเพราะไม่สามารถกินของที่คนบริจาคหรือใสบาตให้ครับใช่แม้แต่คนกินเจมาบวชก็ก็จะยุ่งยาก เออบางได้ยินว่าบางสำนักนี้เขาจะมีกระดาษเขียนไว้บอกอยูว่ ว, ว่าว่านี่กินฉันเจนอย่างนี้มันก็ทําให้ค น, สนใส่บาปนี่เข้ายากเพราอยากจะ ท, ทําบุญบนงทีเขาไม่ได้กินเจเขาเขาก็จะทําบุญกับเราไม่ได้งั้นอย่าไปคิดถึงไอ้เรื่องเรื่องเหล่านี้เลยถือว่าอาหารอะไรก็ได้ที่มันไม่เป็นพิษต่อร่างกายกินแล้วไม่ตายทันทีทันใ ด, นดก็กินไปเถิด คุณมายน์ฟูลเน s ครับบอกว่าได้ดูคลิปของผมครับอธิบายว่าคนที่ไม่ยอมผิดศีลเป็นเพราะสมองส่วนหน้ามาคุมไว้ส่วนที่ผิดศีลเพราะสมองเพราะส่วนที่ผิดศีลเพราะจิตไม่มีกําลังพอนั้นเป็นเพราะปุ่มในสมองที่ชื่ออเมิดดาลาแต่ก็ยังไม่ชัดเจ้าค่ะว่าทําไมผู้ที่ถือศีลจึงทิ้งกิเลสได้ครับนั่นจริงแล้วไม่เกี่ยวกับร่างกายเลยเรื่องการรักษาศีลเนี่มันเรื่องของจิตมันโดนแต่ทางทางโลกก็อาจจะ เห็นว่ามันมีผลก็มีผลเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากเขาสแกนสมองแล้วก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้มันกล้าจะเป็นผลกระทบจากจากตัวจิตมากกว่าตัวจิตรักษาศีลถ้ารักษาศีลก็มีผลกระทบต่อสมองในรูปแบบหนึ่งถ้าทําบาป ก, ก็มีผลกระทบต่อสม อ, องอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นที่ตัวสมองโดยที่รักษาศีลหรือทำบาปนี้ไม่ใช่ตัวสมองํามหลักทํา ก็คือตัวตัวจิตดูตที่คิดดีคิดชั่วก็ไม่ใช่ตัวสมองคิดแต่ทางนักนักวิยาศารไม่เข้าใจเรืกก่องจิตก็เลยต้องยึดหลักสมองเป็นเป็นตัวเพราะเขาสามารถ ว, วัดวัดดูตรวจดูได้สแกนดูไ ด, ด้ดูความแตกต่างได้เขาก็เลยสมมว่ามันเป็นสมองเป็นผู้คิดคุณระวันครับ การที่มีลูกไม่เอาไหนติดพนันออนไลน์มินีิท่วมหัวเอาตัวรอดทิ้งภาระให้เราส่งเสียหลานทั้งสองคนดิฉันมีอาชีพรับจ้างอายุเริ่มเยอะแทบจะสู้ไม่ไหวมีวิธีวางใจอย่างไรบ้างคะถึงจะทุกข์น้อยลงครับก็ทำไปเท่าที่เราทําได้กแล้วกันทําไม่ได้ก็ต้องไหวให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของแต่ละคนก็แล้วกันคุณทริออสครับ คุณหมอสั่งห้ามคุณพ่อไม่ให้สูบบุหรี่ทั้งบ้านพยายามห้ามทุกทางแต่พอเผลอก็จะหนีไปหาบุหรี่มาสูบทุกครั้งถ้าเราซึ่งเป็นลูกปล่อยให้ท่านสูบบุหรี่ไปเรื่อยไม่ห้ามแล้วท่านเกิดหัวใจวายเราจะบาปไหมครับไม่บาปอะมันไม่เรื่องของท่านปล่อยท่านแต่ท่านเป็นคนผู้ใหญ่แล้วท่านรู้ผิดถูกดีชั่วแนละ้วอย่างน้ำใจากองท่านนี้ยังอ่อนไว้ยังไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้ ก็อย่าไปมีไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของท่านเลไว้ให้ท่านทำตามที่ท่านประการทำก็แลกันคุณสิงโตครับตอนนี้กระผมปฏิบัติทำแล้วเห็นอะไรบางอย่างอยากบวชมากครับไม่เอาทางโลกแล้วครับแต่กระผมเป็นลูกชายคนเดียวและมีภรรยาแล้วแต่ไม่มีลูกตอนนี้มีหนี้ผ่อนบ้านอยู่หากปิดหนี้หมดแล้วกระผมจะไปบวชเลยไม่ได้เลี้ยงดูท่านแบบนี้กระผมจะบาปไหมครับหากจะเดินทางทาง ก็อยู่ที่ว่าท่านอาศัยเราเลี้ยงดูท่านหรือเปล่าถ้าท่านถ้าท่านอาศัยให้เราเลี้ยงดูท่านถ้าเราทิ้งท่านไปแล้วท่าน้อท่านเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้มันก็มันก็ไม่สมควรแล้วก็ยังถือว่าเรายังติดภาระอยู่ไปบวชไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถหาคนอื่นมาทําหน้าที่แทนเราได้เราก็ไปได้อย่างพระพุทธเจ้าในท่านรู้ว่าเวลาท่านไปนี่ทางบ้านไม่มีใครเดือดร้อน ทางว่ามีฐานะสามารถเลี้ยงดูตัวด้วยตัวเขาเองได้ท่านก็ไปได้แต่ถ้าไปแล้วทําให้คนที่เขาอยู่นี่เดือดร้นอนตกทุกข์ยากลำบากแล้วก็อาจจะอาจจะยังไปไม่ได้แต่ถ้าเราใจเด็ดเดียวแล้วว่าจะคิดว่าถ้าเกิดเราตายไปวันนี้เขาก็ต้องเขาก็กจะทํำยังไงถ้าเราคิดว่าการไปบวชเหมือนกันกับการที่เราตายถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วก็ไปได้ทําใจได้หรือเปล่าแค่นั้นเอง ใช่ไหมมันก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดเราตายปเป็นวันนี้เราก็เราก็ดูนายเขาไม่ได้มันก็เหมือนกันเราไปบวชเราก็ไปบวชก็เหมือนกับเราตายจากโลกนี้ไปคุณดิมโพครับพระอาจารย์เจ้าค่ะหลังจากลูกทานข้าววันละหนึ่งมือ้อตั้งแต่เข้าพรรษามาน้ําหนักลูกหายไปเกือบสองโลตัวลูกเองสบายตัวและสบายใจแต่คนใกล้ตัวเขาเป็นกังวลเนื่องจากลูกผอมลูกควรอธิบายอย่างไรเพื่อให้เขาเข้าใจครับ เขไม่เข้าใจหรอกไปอธิบายทำไมเขาไม่เขไม่เข้าใจกันเรื่องของเขาเลยฉันสบายใจฉันมีความสุขก็บอกว่ า, าแค่นี้ก็พอคุณมายุรีครับญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตครบหนึ่งร้อยวันแต่ลูกหลานยังไม่พร้อมจัดงานถ้าทําแค่ถวายสังฆทานที่วัดจะได้ไหมครับได้ทำบุญแบบไหนก็ได้สายบารก็ได้บริจาคเงินค่าน้ําค่าฝายก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องทํางานใหญ่ ทำบุญใหญ่ร้อยวันในของเรานี้แล้วแต่กำลังของเราคุณลักดาครับการปฏิบัติจนแยกรูปแยกนามได้เป็นอย่างไรคะก็ลอาทาดูสิรูปก็เกิดร่างกายนามก็เกิดใจจะ แ, แยกได้ก็ต้องนั่งสมาธิให้เข้ารูปประจานให้ได้เข้ารูปประจานสีให้ได้ก็จะสามารถแยกรูปแยกงานาออกจากกันได้ คุณนิ้งครับคุณแม่เพิ่งเสียไปยังเอากระดูกเก็บไว้ที่บ้านไม่พร้อมที่จะเอาไปเก็บไปที่เจดีร่วมกับวันพระรุษยังอยากเห็นกระดูกแม่ทุกวันทำถูกต้องไหมครับก็ไม่รู้จะตอบยังไงมันก็ไม่ถูกไม่ผิดแล้วแต่เราจะถามว่าบาปหรือไม่มันก็ไม่บาปจะถามว่าเป็นบุญหรือไม่ก็ไม่เป็นบุญคุณปูเป้ครับ พวกหนูดูศพครูใหญ่เห็นอวัยวะเยอะเพียงแค่ร่างกายไม่มีลมหายใจหนูเคยตกใจตัวเองพอไปดูศพครูใหญ่ติดความอยากในการทําอาหารเห็นครูใหญ่คิดถึงการทําอาหารเคยตกใจตัวเองนึกว่าเป็น CU เห็นลำไส้ครูใหญ่คิดถึงการทําไส้กรอกหมูใส่วุ้นเส้นไม่ได้ตั้งใจค่าเพียงเอาซากศพมาหาวิธีทําอาหารอะไรให้อร่อยพอปฏิบัติทําต้องหยุดคิดถ้าคิดจะลดความอยากการกินไม่ได้หยุดความอยากเลยไม่คิดเมนู มนูทำถูกไหมครับก็หนูคนงจะเป็นเป็นคนแปลกที่เห็นสร้างสมแลอวคิดถึงอาหารนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนกันแารที่จะการที่จะเกิดความเบื่ออาหารกับเป็นเกิดกินอยากจะเอาเอาวัยวะของร่างกายมาทําอาหารอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องแปลกคุณสิริชัยครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับตอนอยู่บ้านผมต้องแอบฟังทำและปฏิบัติ ที่บ้านไม่สนใจธรรมะจิตใจผมอยากบวชเพื่อละทางโลกและความอยากต่างๆเป็นเพราะยังถูกกิเลสหลอกไหมครับถึงยังไม่ออกจากบ้านเพื่อไปปฏิบัติธรรมก็ยังซู้กิเลสไม่ได้ยังไม่มีพระยังธรรมะยังไม่มีกําลังมากพอที่จะตัดกิเลสได้ต้องพยายาม ป, ปฏิบัติให้มากขึ้นให้จิตมีพลังมากขึ้นคุณคริสครับ พาาระอรหันต์ที่บรรลุธรรมเมื่อดับสังขารและไม่มาเกิดแล้วจิตท่านครับจิตท่านก็อยู่นิพพานจิตท่านก็ไม่มาเกิดเราเรียกว่านิพพานอยู่นอกสังสารวัฏไม่ได้อยู่ในตายพบไม่ได้อยู่ในกามาภพบรูษภพหรืออรูปภ พ, ป พ, ปพอยู่นอกตายพบเราก็เรียกว่านิพพานครับคุณหยุ่มยิ่มครับ พยายามเข้าใจและนึกถึงความตายได้ตลอดค่ะเวลาไปงานศพคนอื่นๆพอคุณย่าตัวเองเสียหนูร้องไห้แบบหยุดไม่ได้เลยแบบนี้หนูควรฝึกสมาธิและต้องดูศพในวัดปฏิบัติใช่ไหมคะถึงจะทำได้จริงครับเวลาเราดูศพคนอื่นเราต้องยอดกลับมาที่ศพ ท, ที่ร่างกายของคนที่เรารักที่เราห่วงใ่เช่นคนไหนเราล่าง<อ>เราห่วงใยเราต้องคิดว่าในเขาก็ต้องเป็นแบบนี้วันดวันหนึ่ง ไม่ใช่จะมองเฉยๆแล้วไม่เอามาองค์ปณญญิโกมันต้องเอามาพิจารณานะครับพิจารณาถึงคนที่เรารักเราชอบเราเป็นห่วงเป็นใยว่าเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้ า, าคิดบ่อยๆแล้วเวลาคนที่เรารักเราชอบเป็นไรไปแเราก็จะเฉยๆได้คุณจันทร์ศรีครับคนก่อนเสียชีวิตดวงจิตจะออกก่อนไหมคะไม่ต้องให้ลมหายใจหยุดก่อน า ก, การหยุดทํางานก่อนจิตถึงจะแยกออกจากกันคุณตายครับหลานรักปู่มากเก็บฟันคุณปู่ที่เสียชีวิตไปแล้วตอนเก็บอักขติดตัวไว้ผิดนะครับไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ถูกนเนื่องที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปของเราครับคุณสราวุ์ครับเป็นคนชอบสวดมนต์ทุกวันและฟังธรรมชอบทําความดี แต่ทําไมบางทีจิตคิดอกุศลปรามทยพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราศรัทธาเราฝืนแล้วก็ยังเป็นบางทีก็แกะท้อแท้จนไม่อยากจะทําดีต่อไปจะแก้ไขยังไงครับจะเป็นบาปไหมครับพระอาจารย์ก็แก้ไขโดยทุกครั้งที่เราปราโมทยเราก็องใช้เหตุผลมามาคุยกับตัวรเราเองว่าพ่อแม่เรามีพระคุณกับเราครูอาจารย์ถ้ามีพระคุณกับเราเราจะไปปรามทยท่านทําไมต้องสอนไใจให้ให้เห็นเหตุผลว่าเราไม่ควรปรามทยท่าน ต่อไปมันก็จะไม่ทําองคุณสิริพรครับการเบรียนถาพระอาจารย์ค่การเลือกทําบุญกับพระเป็นกิเลสไหมครับก็เหมือนกับการไปเลือกซื้อของอะซื้อของมันก็มีคุณภาพต่างกันใช่มซื้ อ, อยาอยาก็มีมีคุณภาพต่างกันถ้าเราต้องการยาที่มีคุณภาพดีเราก็ต้องเลือกอยาที่มีคุณภาพดีภาะก็เหมือนกันพระก็มีหลายระดับ พระที่เป็นพระธรรมดามีศีลพระที่มีสมาธิพระที่บรรลุเป็นพระอริยะมันก็ต่างกันแต่ก็เป็นพระเหมือนกันนะแต่คุณภาพไม่เหมือนกันเราอยากจะได้พระแบบไหนแล้วก็ไปทํำบุญกับพระแบบนั้นมันไม่ไ ม, ไม่บาปไม่เป็ น, กนเกเลยครับเป็นเหตุเป็นผลคุณอัชลาครับ ถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทุกคืนที่ลูกเข้านอนต้องเปิดฟังเทศของพระอาจารย์ทุกคืนจนหลับถ้าไม่ได้ฟังเทศจะนอนไม่หลับแบบนี้ผิดหรือไม่เจ้าค่ะลูกจะได้บุญหรือไม่ครับอย่างนี้ก็ถือว่าติดในการฟังเทศซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ที่ที่เราไม่สามารถฟังเทศได้เราก็จะนอนไม่หลับงั้นก็คนที่จะหยุดฟังบ้างสลับกันบ้างไม่กินยานอนหลับ ถ้ากินแล้วมันจะติดถึงแม้ธรรมดามันไม่เครียดแต่มันพอมื่อเคยกินแล้วมันก็จะต้องติดต่อมันเป็นจิตมันเป็นเหมือนจิ ต, ตวิทยาใครหลับเพราะกินยากลัวจะไม่หลับถ้าไม่ได้กินยามันก็เลยต้องกินไปเรื่อยๆอยีกนั้นถ้าเราไม่มีความเครียดไม่มีปัญหาเราก็อย่าไปกินยานอนหลับฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกันถ้าถ้าเราจิตของเราไม่มีความเครียดก็ไม่ต้องฟังธรรมก็ได้ เอาไว้ไวใช้สำหรับเวลาที่เรามีความเครีดแล้วนอยไม่ดับแล้วเราค่อยฟังธรรมนองหลับโดยที่ไม่ต้องฟังธรรมดูจะดีกว่า ค, คุณอรุณวดีครับขอถามพระอาจารย์ใจโยมคิดอยากทำบุญทาทานตลอดค่ะก็ก็ถอให้ทำเลยคิดแล้วต้องทำถึงจะถึงจะได้ผลถ้าคิดเฉยๆ้วไม่ทำก็จะไม่ได้ผล คุณซาร่าครับถือศีลแปดช่วงเขา้าพรรษาค่ะแต่ด้วยหน้าที่การงานอาจต้องมีการแต่งหน้าบ้างบางครั้งและทานอาหารกลางวันที่เลยเที่ยงไปแล้วบ้างเล็กน้อยแบบนี้ถือว่าศีลบกร่องไหมคะแล้วจะต้องทำอย่างไรครับก็บกพร้า น, นิดเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรไ ม, ไม่เสียหายองไรคุณอ n g ุนเปรี้ยวครับมีคนบอกว่าหากทาบุญให้วัดให้อธิษฐานว่า อุทิศให้วิหารทำผลบุญจัด ก, กระจายไปครอบคุมมากกว่าเจาะจงว่าทานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้จริงไหมครับไม่จริงครับทานทุกชนิดก็สามารถลงทิศบุญได้เหมือนกั น, นคุณสมพรครับอาหารทุกวันนี้เฉพาะยิ่งอาหารที่ให้สารโปรตีนเช่นหมูไก่มักจะมาจากการเลี้ยงด้วยหัวอาหารเราควรเลี้ยงทานอาหารโปรตีนให้ได้สารอาหารได้โปรตีนแบบปลอดสารพิษ ควรทานอาหารอย่างไรให้ดีให้ได้ทั้งสารอาหารและประโยชน์ต่อร่างกายครับอยากไปรู้มากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้กินไปตามมีตามเกิดดีกว่าเดีย๋ยวจะเครียดกับการกินอย่างเป็นผ้าเนี่ไม่รู้หรอกอกข้าวที่ทํามานี้ทำมาจากที่ไหนใส่สารอะไรมาม า, มากไม่รู้สารอะไรเลยเวลาหิวกินไปหน่อยกินให้มันอิ่มก็พอ <laughs> มันยากคะของพวกนี้เราจะไปพิถีพิถันมากมันเกินไ ป, า ก, าไปก็กลายเป็นกิเลสไป นบูชาบอกให้ยินดีตามมีตามเกินดนีอะไรก็กินไปกินเพื่อดับความหิวท่านพอไป <c oughs> ครับคุณจ๊เอรับเวลาฝันถ้าเรารู้ว่าฝันอยู่ไม่ใช่เรื่องจริงเราควรพยายามตื่นจากฝันหรือเปล่าคะอยากตื่นแต่ทำไม่ได้แต่ถ้าทำได้เวลาตื่นแล้วจะเหนื่อยมากๆแบบนี้สะท้อนว่าเราฝึกมาถูกทางหรือเปล่าครั ไม่เกี่ยวกันนะพอไปมันฝันก็ฝันไปก็ปล่อยมันฝันไปเวลาวนอนหลับเจริงเราไม่รู้ตัวว่าเราฝันถ้าเรารู้ตัวว่ า, สาแสดงว่าเราไม่ฝันเรากําลังคิดอยู่ถ้าเราคิดแล้วก็หยุดมันได้ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันได้คุณปราณีครับตอนแม่ยังมีชีวิตอยู่เวลาทําบุญจะโทรไปบอกแม่ให้อนุโมันาสาธุแม่ก็ดีใจทุกครั้งแม่จะได้บุญไหมครับ ได้บุญคนละแบบกันไม่ได้บุญจากการทำทานแต่ได้บุญจากการยินดีในการทำบุญของลูกเพราะแม่มีความสุขที่เห็นลูกได้ทำทำบุญแม่จะได้สบายใจคุณวรานุชครับบางครั้งรู้สึกมีอารมณ์เศร้าโดยไม่มีสาเหตุมีวิธีแก้อย่างไรครับ <c oughs> ถ้ า, าใช้สติเป็นก็ใช้พุทโธพุทโธไปทำใจให้สงบแล้วอาการเศร้าก็จะหายไป คุณทิศดาวครับการเปียนถามพระอาจารย์ค่ะทำไมคนที่อยู่ดีๆก็สามารถรู้ถึงเรื่องราวของคนอื่นได้เหมือนกับว่าเขามีใครมาบอกอันนี้เป็นเพราะอะไรคะอย่างเช่นการดูหม อ, อมครับบางคนก็มีเขาเรียกว่ามีอภิญญามีความรู้คสามารถพิเศษสามารถอ่านจิตอ่านใจของผู้อื่นได้งั้นก็อาจจะเป็นไปถ้าเป็นจริงนะบางคนก็อาจจะอาจจะไม่จริงแต่มาประพูดแบบ หลอกลวงมาได้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขารู้จริงหรือไม่รู้จริงบางคนรู้จริงสามารถที่จะรู้อะไรเรื่อที่เราคนธรรมดาเที่ยวไปไม่รู้ได้ <c oughs> คุณเกียรติยุทธครับเวลาเห็นเพ่ตรงตรงข้าม ร, รู้ว่าจิตมีความพึงพอใจให้พิจารณาการกระทําของจิตโดยไม่ควบคุมหรือควร น, น้อมนําภาพอสุภะเข้ามาช่วยครับ คุณยาภาพสุภาพรับมมองเห็นโครงกระดูกของเขามองเห็นตับไตลำไส้ของเขาคุณบีครับแล้วจิตก็เข้าร่างอย่างเร็วหัวใจเต้นแรงมาอาอนิถามต่อเ น, นี่ยนะครับตอนตื่นเป็นแบบนี้สองสามผลตอนนี้เลิกน้อมใจแบบนั้นหันมาพูดโท ก, ก่อนนอนแทนค่ะ <c oughs> คุณประสานครับ การคิดที่มาจากใจกับความคิดที่มาจากสมองทำไมไม่สอนให้คิดที่มาจากใจที่คิดดีแต่ให้คิดที่มาจากสติต่างกันมากมายครับอันไหนควรมาก่อนครับสมองคิดไม่ได้ความคิดทุกอย่างมาจากใจเราทีนี้เราจะคิดดีไม่คิดดีก็อยู่ที่ว่าเรารู้ว่าอะไรดีแลวไม่ดีแล้วต่างหากถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาธรรมะจะได้รู้ว่าการคิดดีคิดอย่างไรการคิดไม่ดีคิดอย่าง แล้วเราก็จะได้พยายามหลีกเลี่ยงความคิดที่ไม่ดีแล้วพยายามคิดแต่ในความคิดที่ดีต้องศึกษาถึงจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีเช่นคิดจะทำบาปนี่ไม่ดีคิดจะฆ้าสรรักษาประเพลิอผิดกระเพงดีโกหกหลอกลวงเดืุนร้อยาเมาอย่างนี้ไม่ดีการคิดไม่ทำบาปนี่ดีการคิดจะทำบุญนี่ดีให้คิดไปทางนั้น คุณสิวะครับเวลาคนตายแล้วเรานอนเป็นเพื่อนในงานศพในช่วงกลางคืนและคอยจุดเทียนให้ไม่ดับคนที่ตายเขาจะรับรู้ไหมครับไม่รู้อะไรแล้วนั่นศพมันเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งนั่นเอง <c oughs> คนที่รับรู้ไม่ได้อยู่ร่างกายนี้่นะเขาไปไหนเนาะไปตามพบตามภูมิของเขานะ <c oughs> คุณจงกลมีครับ การที่เราฝันถึงบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปนานแล้วหมายถึงท่านมาบอกให้เราทําบุญไปให้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็เป็นได้สองอย่างเราคิดถึงท่านก็ได้แล้วก็ฝันเราก็คิดถึงท่านหรือท่านมาบอกเราก็ได้มาหาเราก็ได้คุณอังหุนเปรี้ยวครับการทําบุญเป็นเจ้าภาพองค์กรถินเชื่อว่าจะได้อานิสงส์มากที่สุดจริงไหมเจ้าคะเพราะว่างานกระถิ่นเป็นงานใหญ่ไงต้องใช้เงินเยอะก็เลย อะไรได้บุญเยอะดังนั้นเราอยากจะทําบุญอยากได้บุญเยอะไม่ต้องเป็นเจ้าภาพก็ถึงก็ได้เขาให้เราทําให้ทําบุญเยอะๆก็แล้วกันเงินเยอะๆมากกว่าเป็นมากกว่าเจ้าเจ้าภาพทำํำเราก็ได้บุญเยอะกับการไม่เป็นเจ้าภาพนะครับมันไม่ได้อยู่การเป็นเจ้าภาพหนระือไม่เป็นเจ้าภาพมันอยู่ที่เงินที่เราทําำการเสียสละของเรามากน้อยเท่าไหร่คุณพรลพัฒนครับ กับเรียนพระ อ, อาจารย์ค่ะขอถามเวลาเราไปถือศีลแปดกับวัดกับที่วัดสวดมนต์ตามเวลาที่วัดได้แต่กลับมาบ้านทําไมขี้เกียจสวดมากๆคะต้องทําอย่างไรครับก็เหมือนไปโรงเรียนทําไมเราไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือได้ทุกวิชาเพราะเราถูกบังคับมันมีมันมีเหตุมันมีครูมีอะไรที่บังคับให้เราต้องทําแต่พอเรามาอยู่บ้านไม่มีใครมาบังคับเราแล้วเราบังคับตัวเราเองไม่ได้เราก็เลยไม่ทํา เรายังไม่มีวินัยในตัวของเราเองเราต้องอาสัยวินัยของผู้อื่นมามัางคับเราก่อนคุณพัทราครับการได้เห็นศพคนทั่วไปจะรู้สึกปกติและถ้าให้เห็นศพของญาติจะรู้สึกปรงได้มากขึ้นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ <c oughs> ดีถ้าปรงได้มากขึ้นก็ดีคุณเอกอมรินครับ เป็นโรคซึมเศร้าใช้ธรรมะจะช่วยได้มากหรือเปล่าครับพร้อมทานยาคู่กันครับได้ใชาใช้ทำให้อย่างเดียวได้เพราะที่มันเป็นโรคจิตไม่ใช่เป็นโรคทางร่างกายนี่ถ้าเราใช้สติทำให้ใจสงบได้ก็ไม่ต้องกินยาเพราะเวลาจิตสงบแล้วความซึมเศร้ า, าก็จะหายไปคุณสมพง์ครับการทําหมันแมวแต่กลัวบาปครับอาจารย์ ไม่บาป ห, หอกการทำมันไม่ได้ไปทําให้เขาเป็นอะไรไม่ไม่ได้ทำให้เขาตายไม่ได้ทําให้เขาเป็นอะไรเพอยงแต่วงกันไม่ให้เขามีการต้านขันนั่นเองคุณสมพรครับอยากทราบการออกกําลังกายในทางธรรมของพระต้องปฏิบัติอย่างไรครับเดินโยกมือเดินโยกมเดินมินทบาทนี่คือวิธีออกกําลังกายของพระ คุณสลาวุธครับเรียนถามพระอาจารย์ครับการสวดมนต์และขอขมาพระรัตนาตาทุกวันดีไหมครับดีสวดไปทุกวันดีขอขมาทุกวันก็ดีคนยังไม่รู้ไปขอขมาทําไมถ้าเราไม่ได้ไปทําร่วมกันพระรัตนไตรเราก็ไม่ต้องไปขอขมาให้เสียเวลาคุณตันครับ ถ้ามีเพื่อนไปทาบุญแล้วมาลงเฟซบุ๊แบ่งบุญให้เพื่อนเราอนุโมทนาบุญด้วยจด้วยในใจโดยไม่ต้องพิมพ์อนุโมทนาบุญจะได้บุญที่อนุโมทนาบุญเหมือนกันไหมครับก็เรามีความสุขใจหรือเปล่าถ้าเราเห็นเขาทาบุญแล้วเรามีความสุขใจยินดีไปกับเขาเราก็ได้บุญแล้วจากพ่สมพรครับโยมเป็นคนไปคาดหวังให้คนอื่นแสดงพฤติกรรมตามที่ตนถูกจิตถูกใจโยมจึงจะมีความสุข อย่างนี้เหมือนโยมเอาไม้บรรทัดตัวเองไปวัดมาตรฐานใละคนอื่นปฏิบัติตัวต่อตัวเองจึงจะพอใจอย่างนี้แสดงว่าโยมขาดอะไรต้องปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับขาดปัญญาไงคือเราไม่เร า, ม, ามองไม่เห็นว่าเราเป็เปบางคั้งให้เขาทําตามที่เราต้องการไม่ได้เสมอไปเวลาที่เราต้องการแล้ว เ, เขาไม่ทำํำเราก็จะทําให้เราเสียใจแล้วทําให้เราโกรธชาวน้าเนี่ยอันนี้ คำถามจากปัจจุบันนี้หมดนะครับพรอาจารมีคนที่ฝากถามเข้ามานะครับบอกว่าบอกว่าเขาชอบพูดกันว่าจิตสุดท้ายเป็นสิ่งสําคัญแล้วคนที่ตายแบบอุบัติเหตุคาที่จิตสุดท้ายจะเป็นยังไงครับแล้วเขาจะมีโอกาสได้ทําจิตสุดท้ายให้ดีได้ไหมครับมันเข้าใจผิดจิตสุดท้ายไม่สําคัญนะจิตก่อนสุดท้ายสําคัญกว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะสาคัญกว่าว่าเราสามารถที่จะสร้างสวรรค์หรือสร้างนรกได้ตอนจิตสุดท้ายนี่มาทําอะไรไม่ได้คนระับ บุญย่มหยิ่มครับสอบถามเรื่องสัตว์เลี้ยงครับเวลาเขาเสียไปแล้วเราทําบุญหรือสวดมนต์แผ่ให้เขาสัตว์เหล่านั้นได้รับไหมครับก็เหมือนกับมนุษนะนย์น่ะดวงวิญญาณเขาก็เป็นเหมือนของมนุษย์ถ้าเขาถ้าเขาต้องการบุญแล้วเขามาข อ, อรับส่วนบุญเขาก็จะได้รับถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็มันเขาก็จะไม่ได้รับอยู่ที่ตัวเขาคุณสุดท้ายครับ เรียนถามพระอาจารย์เจ้าข่าวเวลาฝันจะเป็นจริงเป็นเพราะอะไรคะก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะมี ม, ม, มียานอย่างทราบ พ, พิเศษน้งคุณไลท์ครับฝึกสมาธิฌานสี่อรูปฌานสี่จำเป็นต้องมีครูอาจารย์ไหมครับหรือสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองปัจจุบันสามารถจำความฝันได้บ้างรู้ตัวในฝันและสามารถกาหนดนิมิตได้บางครั้งครับ ถ้าทําเองได้ก็ไม่ต้องมีอาจารย์ถ้าไม่ทําเองไม่ได้ก็ต้องมีอาจารย์สอนคุณเตเต้ครับต้องปรรลุทำขั้นไหนถึงจะสามารถละความโกรธได้ครับอ๋อขั้นพลนนะอะไรเนี่ยมีคุณรุ่งฝากถามครับภาวนาจนทุทโธหายรู้สึกว่างสบา ว่างสว่างเบาแล้วเหมือนลมหายใจหายไปเดินอารมณ์ต่ออย่างไรครับก็ให้มีสติรู้เฉยๆให้ให้จิตตั้งอยู่ในความสงบเป็ น, นานๆอย่าให้คิดปรุงแต่งขึ้นมาครับป<า>ักถามครับอาจารย์ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันมาสามปีขณะนั่งได้จิตที่สงบเป็นส่วนใหญ่และบางวันเห็นจิตไม่สงบรู้ว่าคิดเวลาออกจากสมาธิมีกาลังใจดีมีจิตที่ตั้งมั่น แต่สงสัยว่าการปฏิบัติเรามีความก้าวหน้าหรือจะวัดผลอย่างไรว่าเราปฏิบัติได้ดีขึ้นหรือแย่ลงครับสงบมากขึ้นสงบได้นานขึ้ น, วนเวลาจะสมาธิใจเราก็เย็นได้นานขึ้นอยู่ที่อเบคาอยู่ที่เบคาว่ามีมากมีน้อยคุณธรรมะประการครับคนที่สมองไม่ทำงานหรือให้แตกเครื่องช่วยหายใจเหมือนนอนหลับ จิตจะอยู่ที่ไหนครับเราคุยกับเขาหรือเปิดทำให้เขาฟังได้ไหมครับก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่ว่าร่างกายสามารถที่จะส่งเสียงไปให้เขาได้หรือเปล่าถ้าสมองไม่ทํางานก็อาจจะไม่สามารถที่จะส่งเสียงที่เราพูดเข้าหูเขาไปสู่ไปสู่วิญญาณทางทางหูได้เขาก็จะไม่ได้ยินที่เราพูดอะไรอยู่ที่สมองอันนี้อยู่ที่อยู่ที่ความสามารถของสมองว่า สามาที่จะเชื่อมเชื่อมจิตให้ให้กับหูได้หรือเปล่ากับเสียงที่เข้ามาทางหูได้หรือเปล่าคุณสุวรรณีครับได้ยินว่าคนตายบางคนจะไม่สามารถรับบุญได้ถ้าไปเกิดในนรกและแบบนี้ต้องทําแบบไหนคะเราเขาถึงจะได้รับบุญครับก็ไม่ได้ก็ ต, ต้องร้อยเขาออกจาก น, นรกก่อนมาเป็นเปรตก่อน คุณสมพรครับคนนี้ที่ทำงานมีหลายแบบมีหลายนิสัยถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ถูกใจตลอดไปบางครั้งก็ถูกใจบางทีก็ไม่ถูกใจสลับไปมาอย่างนี้ตลอดอย่างนี้จะอธิบายด้วยข้อธรรมะว่าอย่างไรครับบางคนเราก็เป็นเหมือนผลไม้ก็แล้วกันบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นขนุนเป็นแตงโมเราชอบแบบไหนมันก็มันก็ถูกใจเราแบบที่ งานที่เราไม่ชอบมันก็ไม่ถูกใจเราก็มีเท่านั้นแหละครับคุณบัวครับคนที่แยกแยะดีไม่ได้ต้องทําอย่างไรครับก็ต้องไปเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปไปบวชนี่ก็จะรู้จักแยกว่าดีอะไรไม่อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเรียนถึงจะรู้ปากถามครับอาจารย์บอกว่า ถ้าเรานั่งสมาธิเลยโดยไม่สวดมนต์ผลที่ได้ต่างกันอย่างไรกับสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิครับท่านนั่งสมาธิได้เลยจิตก็จะสงบมากกว่าการสวดมนต์คุณวันนียาครับนั่งเจริญสติมีช่วงแวบหนึ่งที่รู้ที่ใจรู้สึกแบบเป็นสุขแบบไม่เคยพบเป็นเพราะกิเลสไหมคะอไม่ใช่เป็นเพราะจิตสงบท่านจิตสงบ มันจะพบกับความสุขมาที่เราไม่เคยพบมาป่อยปรับถามครับการดูที่เราดูคนแก่ชราแล้วนึกถึงเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้เป็นธรรมะไหมครับอาจารย์ถ้าถ้าคิดถึงร่างกายของเราตัวเรามันก็เป็นธรรมะถ้าคนที่เราเราลากเราห่วงเราห่วงมันก็เป็นธรรมหรือกอบใครก็แล้วมก็เป็นธรร ม, มทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นทําให้เราเห็นความจริง คุณซุตาครับหนูชอบคิดถึงความตายเมื่อต้องโดยสารเครื่องบินเพราะกลัวการขึ้นเครื่องบินเลยไม่แน่ใจว่าเป็นมรณานุสติหรือเป็นกวาวิตกกังวลครับอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าจิตเราสงบแล้วไม่สงบจากความคิดนะครับถ้าคิดแล้วสงบ ก, ก็เป็นมรณะนุษสติถ้าคิดแล้ววิตกกังวลก็เป็นกิเลสคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณจีนพันธ์ครับ นั่งสมาธิแล้วเกิดเหมือนตัวหนักๆต้องทำยังไงต่อครับอาจารย์อ๋อไม่ต้องสนใจอาการรู้สึกต่างๆจะัจะหนักจะเบาจะยังไงก็ไม่ต้องสนใจให้เราภาวนาไปเรื่อยๆให้ให้มีสติอยู่กับลมาหายใจหรือมีสติอยู่ก็พูดโทรไปอย่านั่งเฉยๆคำถามหมดพอดีเลยครับอาจารย์ครับเวลาก็่มมาพระเรีครับอาจารย์ครับ โอกาสครับอาจารย์วันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ใน Facebook 727คนใน YouTube 632คนในคลับทั้งสิบคนครับวันนี้มีเพื่อนฟังธรรมอยู่ด้วยกัน 1,369 คนครับยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาเลิมฟังธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อย น, น, นำาเอาไปปฏิบัติให้จริวนก้าวหน้ายิ่งยงขึ้นไปการแสดงการส น, นับ การสนทนาทำในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอไว้เป็นเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้อ ก, ก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอเจริญพกรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครั